بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعقبة للمتقين والعذاب لعنة على الظالمين وصلي و س ل م على شرف الأقليين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعيات جسمان ถึง93สจะเป็นเรื่องราวของท่านนาบีมูซากับฟิรัลดังที่เคยบอกกับพี่น้องว่าหลังจากเรื่องนี้ช่วง ท, ท้ายของโซลยูนสุสเนี่ยก็จะเป็นการเล่าอุทาหรณ์ของบรรดา น, นาบีีละรอซูลบางท่านโดยเฉพาะที่ถูกปฏิเสธ ที่กลุ่มชนเขาเนีปฏิเสธเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่น่าจะเป็นกําลังใจสําหรับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮ์อะลัยฮุสันละมที่ถูกปฏิเสธจากกลุ่มชนของเขาเช่นเดียวกันและเรื่องราวของบรรดานบีละซููในกุษานเราต้องเข้าใจก่อนนะนี่เคยอธิบายมาแล้วหลายรอบตั้งแต่อธิบายสุรุตอัลบากรอจะมีเรื่องราวของท่านนบีมูซาเยอะเยะที่สุดเข้มข้นที่สุดในกุษาน ทนบดมุซาถูกเล่าเรื่องในกุตานประมาณเจ็ดสุร์ถูกระบุชื่อของท่านอนับดมุซาในกุตัลเนี่ยประมาณร้อยสกว่าครั้งแต่ละสุร์นี้ก็จะมีอัตลักษณ์ของสุรนน์นั้นๆ <c oughs> บางสุร์ก็จะพูดถึงท่านอนับดมุซาอย่างเข้มข้นบางครั้งก็จะโฟกัสไปที่บางช็อตหรือบางช่วง ในการในชีวิตของท่านในบิลซาในการเทศนาของของท่านในโซร์ยูนุสนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิเสธการปฏิเสธท่านในบิลซาซึ่งเรื่องใหญ่ของการปฏิเสธนี่ก็คือการประทะอัศการโตัเถียงระหว่างท่านนบิลซากับฟิราห์อุทาหรณ์ที่เราได้จาก เรื่องราวของนบีทั้งหลายเนี่ยรัสูลทั้งหลายในกุตอาเนี่ยมันเป็นบทเรียนสำหรับปัญญาชนในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามคำคสอนของบรรดานาบลีรและรัสูลเหล่านี้เพราะบรรดานาบีร์สูล จะมีคำเทศนาและชีแนะกับประชาชาติของเขาเนี่ยที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและหลักๆที่บรรดานวีรอูลเขาได้เทศนานี่ก็คือให้สักการะพระบุญเจ้าองค์เดียวและให้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกอุปลุก ให้เป็นพระเจ้าจอมปอมหรือเป็นที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์โดยไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเราได้อ่านหรือฟังเรื่องราวของนบีระซูลเราอย่าไปเข้าใจหรือไปมองว่ามันมันก็แค่นิทานที่จริงคำศัพท์เนี่ยนิทานน่ะ มันมีคนใช้กับชีวประวัติของนบี ล, ละอฺสูลในกุรานเพราะคำว่านิทานเนี่ยมันใช้ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเรื่องราวที่ไม่เกิดก็ได้เรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าพิสูจน์ไม่ได้หรืออาจจะพิสูจน์ได้ก็ ก, ก็มีเรียกว่านิทานเรื่องที่นักเขียนเขาเขียนนิทานนิทาน นิทานจึการ์ตูนนิทานเรื่องรักเรื่องทหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกกันนี้คืนิทานทั้งนั้นจึงไม่เหมาะที่จะมาเรียกคําเล่าของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสําหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขั้นสุดขั้นที่สุดของความจริงความถูกต้องจะเรียกว่านิทาน มีลองลองลองจินตนาการนะมีคนมาเล่าเรื่องเรื่องที่เขาเห็นเองนะเรื่องที่เขาเห็นเองที่เขาสัมผัสเองมาเล่าเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไอ้นิทานที่แกเล่านี่นะฉันไม่เชื่อหรอกหเขาจะรู้สึกยังไงก็เรื่องเขาเห็นเองเรื่องเขาสัมผัสเองยังไปเรียกคำเล่าเขานิทานเนี่ยคนทั่วไปนี่เขาก็เขาก็ไม่อยอมแต่ความรู้สึกไง พอเราพูดใช้ใช้สำนวนนี้หรือใช้คำศัพท์นี้เลยอัลลอฮ์เล่าเรื่องอัลลอฮ์เล่าเรื่องนบีและละสุดทั้งหมดนี้ก็จะ Allah เล่าเรื่องในคุรอ่านนี่เรื่องเล่าเนี่ยอัลลอฮ์เรียกว่าก ص ص قصص มีสุรานึงชื่อนี้เลยสุรัตอัลกัซซัส ص ص. สุรัตของเรื่องเล่าและผู้ที่เล่านี่ตรงนี้นี่ก็คือพระเจ้า มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเรื่องเล่าทั่วไปแต่โดยสํานวนนี่ย ก, ก, ก็ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้คํานี้แหละเพราะเราเล่าจริงเรื่องเล่าจริงเรื่องเล่าแต่โดยความรู้สึกนะเวลาเราได้ยินคํำนี้เรื่องเล่ามันเกิดความรู้สึกเอ่อความรู้สึกว่าอ๋อเรื่องเล่าก็บางทีมันเชิงลบอะนะพอได้ยินข่าวเรื่องอะไรอ๋อนี่มันเป็นเรื่องเล่า ใช่กันใช่ไหมเออนี่เรื่องเล่าเรื่องเล่านี่คือเดสมเครดิตนะเรื่องเขาเล่าหมายถึงว่าเราไม่เห็นเองไม่ได้สัมผัสเองไม่ได้รู้เรื่องเองเรื่องเขาเล่ามาแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องแยกออกชัดเจนในเรื่องเนี้ยพอาะคุตตาในมีเรื่องเล่าจริงหรือมีเรื่องเล่าแต่ผู้ที่เล่าตรงนี้เนี่ยคือพระเจ้าแล้วให้เรื่องเล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนิทานเรื่องเรื่อง เรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เอาเลมาเล่าให้เราฟังเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ปรับวิธีชีวิตของเขาเนี่มีอุดมการให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เดแกรนฟีัซฮมอิบะระตุนเอุลอัลบาบโดยแน่นอนในบรรดาเรื่องเล่าของพวกเขาที่เราเล่าในกนะุอา้น่ะ ในท้ายสุรษยูซุฟที่อั ى, ان, ลลอฮ์เล่าเรื่องนบียูสุฟแล้วก็จะแก่นั่นในข้อศัพท์อิบราในบรรดาเรื่องเล่าทั้งหลายเนี่มีอิบรามีอุทาคอนลิอุลิลแอลบาสําหรับปัญญาชนม่ก่นพอดีทยุ่งรั่มิได้เป็นเรื่องปรามปราเรื่องอุปโลกเรื่องโกหกมดเท็จที่อุปโลกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ม่ก่นพอดีทยุฟตฝรั และนบีมาเล่าเรื่องบรรดานบีราซูลที่ถูกปฏิเสธให้ให้ชาวมักกานีได้เห็นบั้นปลายของคนที่ปฏิเสธนบีราซูลเนี่ยเขาก็ใส่ใส่ร้ายท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ากาลูอสซาติรุลอววไน์วานบีเอาเรื่องเอาเรื่องนิทานเรื่องเล่าของบรรดาบรรพชนคนรุกยุต รุ่นก่อนนุ่นน่ะหมายถึงว่าเรื่องเล่าที่เขาที่เขาเล่ากันมาเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นผู้ศรัทธาจะต้องมีจุดยืนที่แตกต่างกันนะพ่อได้ศึกษาได้ฟังได้ใรขครวนเรื่องนบีละอุสในคุรานเนี่ยเราจะต้องมี feeling ต้องมีความรู้สึกที่แตกต่างจากผู้ปฏิสัทธานี่เวลาเขาฟังเรื่องนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดสุลแล้วเกิด และเกิดความไม่พอใจความไม่เชื่อใจตราบใดเราเชื่อเชื่อในคุรานแล้วว่าเป็นคมพีเป็นพระดำรัสเป็นว่าจะหน้าที่มาจากอัลลอ์อย่างแน่นอนและท่านนาบีสลต่าลฮ์อัลัยละลัมเนี่เป็นผู้ถ่ายทอดพระดำรัตนี้ม า, มายังมายังประชาชาติมนุษยาชาติทั้งหลายเนี่ยเราต้องมองถึงเรื่องเล่านี้เนี่ย ว่ามันมันมีความสำคัญสูงสุดถ้าเราเทียบกับปัจจุบันนะเรื่องเล่าที่มันเป็นรูปธปรรมมากที่สุดเนี่ยเรื่องนิทานนะนะที่เขาแสดงมาเป็นละครแสดงมาเป็นภาพยนตร์เป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นอะไรอะไรที่คนเขาชอบดูกันใช่ไหม ซึ่งส่วนมากเี่เราก็รู้กันนะครับบางทเีเรื่องจริงเนี่ยพอเขียนเป็นบทเป็นซินารีโ อ, อ, อมาบรรจุในละครในภาพยนต์เนี่ยมันก็มีเรื่องต่อเติมเยอะเลยอะ่ะนะบางทีเรื่องพระเอกเป็นนักรบเป็นนักสู้นี่กลายเป็นเรื่องรักหละเขาต้องเป็นเจ้าชู้ต้องมีแฟนต้องแล้วก็แฟนเยอะต้องทะเลาะกันต้องทุบตีกันมันต้องมีมีทำไมอพูดพูดกกับทาไมต้องทาแบบนี้ละ่ะ มันบิดเบือนประวัติศาสตรม์มันมันมันมันไม่เข้าท่าเขาบอกว่าเอาว่าประชาชนคนก็ชอบเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในเรื่องที่เรื่องที่เขาเล่าที่เขาทําเป็นภาพยนตร์หรือเป็นเป็นละครเนี่เรื่องสบาบ้าเองที่เคยทําเป็นหนังกันนะนะเฮ้ยมีเรื่องนี้ต้องมีเรื่องนี้มามาปนอ่ะต้องมีเรื่องมีเรื่องตลก บ, บ้างมีเรื่องรักบ้างมีเรื่อง แต่ถามว่าในประวัติศาสตร์มีมาระบุไอเนื้อหาที่เขาเติมในละครในหนังไหมไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, มีคือนักเขียนเนี่ยเขามามาประพัน์เองอะแต่ถามว่าเวลาเขาดูละครพวกเนี้ยถังนั่งดีมีเรื่องมีเรื่องมดเท็จเรื่องอุปโลกในนั้นด้วยนะถามว่าเวลาคนเวลาคนเขาดูดูดูละครดูหนังเนี่ยมีน้ําตาไหลไหม มีเออมีแล้วเวลามีลุ้นลุ้นน่ะมีมีมีจับนี่จับมีเวลาลุ้นน่ะมีมีจับไอ้หมาหรือหมาโลกอะไรแบบเนี้ยคือมืนมันอารมณ์มันมันเออมันอินมากเลยอ่ะเหมันเข้าไปทั้งนั้นนี่เราก็รู้ว่ามันคือละครมันคือภาพยนตร์มันคือหนังหมายถึงงมัน เรื่องทำมมามีเรื่องตลกมากนะครับอ่ามีมีเรื่องที่ฝรัง่งฝรัง่งแต่ผู้กำกับเนี่ยเป็นอับดุขอเล่าเรื่องชีวประวัตของแนบีนะเรื่องดังเรื่องแมซิตหรืออาริซาล่านอ่าแล้ ม, มีภาพหลุดนะคนน้อยเนี่ยที่เห็นนะ่ะมีภาพหลุดอยู่ภาพหนึ่งแล้แต่ก่อนนู้นนะ่ะเรื่องตัดต่อนี่มันคือมัน บันบ้านมากเลยอ่ะอขณะที่เขากาลังกําลังถ่ายบทที่อมุชริกีนกำลังไล่ล่าผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่กําลังหนีหนีแต่ไม่กล้าอะไรเงี้ยล้วกําลังถ่ายอยู่บางเอิญเนี่ยลืมถ่ายอามีรถที่กําลังวิ่งถ่ายอีกฝั่งแล้วกำลังวิ่งอยู่ด้วยมันมีรถสองฝั่งใช่ปะ่ะเออแล้วก็ไปถ่ายนี่เห็นมีรถ แต่เนื่องจากภาพมันเร็วมากคนก็ไม่ทันสังเกตแต่คนนี้มาเห็นที่หลังนี่แล้วก็มาแคปพอมันมันมันมันพัฒนาการนี้เราสามารถแคปทุกช็อตเลยนะมันแคปนี่ดูดิคือสมัยน้นเขาก็มีรถเหมือนกันนะรู้ๆกันว่ามันมันมันเรื่องแสดงทั้งนั้นแหะแต่แต่ความรู้สึกมันก็ทําไมมันมันอิน่ะ เอาเรื่องความจริงนะไม่จงเรื่องละครก็ได้บุคคลที่มีบทบาทในสังคมในสังคมมนุษย์เนี่ยในสังคมโลกเนี่ยบุคคลที่มีบทบาทเป็นนักสู้เป็นเป็นนักต่อสู้เป็นคนที่เป็นคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยมีผลงานที่ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยบางทีเนี่ยเราอ่านหรือเขาถ้าเขาแสดงมาเป็นภาพยนตร์เป็นละคร น, นี่นะคนดูแล้วเนี่ยคนเขาก็เออเขาก็ เขาก็เกิดความความกระตือรือร้นหรือความรู้สึกดีกับเรื่องเล่าแบบนี้นี่แค่เรื่องเล่าของคนสามัญชนธรรมดาในยุคปัจจุบันแต่เช่นไหนเลยที่เราอ่านกุรอรานแล้วก็ฟังเรื่องราวของบรรดานั บ, บีร์สูลซึ่งเป็นวีรบุรุษแท้ๆเลยนะ่ยแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาแล้วก็เรื่องที่อัลลอฮ์เล่าหนิมันเป็นเรื่องที่เขาต่อสู้กับ กับเรื่องใหญ่มากเป็นคดีใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือเขาต่อสู้เพื่อยืนยันว่าโลกนี้นี่มีพระเจ้าเชิญชวนให้มนุษยชาตินี้เลิกความเขาความความไม่เอาไหนในการศรัทธาในพระเจ้าว่าโลกนี้เนี่ยจะต้องจะต้องจะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นผู้จัดการบริหารและต้องเคารพสักการะเพียงผู้เดียวมันเป็นเรื่องใหญ่ ละการเสียสละของบรรดานับีบลระซูลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะมันเป็นอุทหาหรณ์สำหรับคนรุ่นหลังทุกคนที่เป็นนักต่อสู้ที่เป็นคนอยากจะอยากจะได้กําลังใจในการทํางานของเขาเนี่ยจะมีบรรดานับีระซูลเท่านั้นน่ะที่จะเป็นอุทหาหรณ์ที่ดีในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้อ่านเรื่องราวของบรรดาอบีบลระซูลและไม่เกิดอุทหาหรณ์เนี่ยแสดงว่า เรากําลังอ่านกุรานโดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับอัลกอสสเกี่ยวกับเรื่องเล่าของประชาชาติยุคก่อนและบรรดาอับดราะซุนของเขาเนี่ยโดยที่ไม่ทําหน้าที่เป็นปัญญาชนเพราะ Allah บอกจะเป็นอุทาหรณ์อิบราตุนิอุลอัลบะจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับปัญญาชนและถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอุทาหรณ์ละก็แสดงว่าเราไม่ใชปัญญาชน แล้วน่ น, นี้มันไม่ใช่โรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่อ่านเรื่องของนาบีละ์ระซูลในกุรอานเพียงแง่นี้แง่เดียวนะแต่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในยุคคนรุ่นหลังเนี่ยสำหรับการมองอัลกุรอานแนวเป็นเป็นคำภี ไว้ใช้แสวงความสวิตมงคลถ้าจะใช้ภาษาง่ายๆนะคุร์านมีไว้สวดมีไว้สวดเปิดงานอ่านคุร์ดีมาอ่านปิดงานอ่านคุร์ดีมาอ่านอยากจะมีกิจกรรมอะไรขึ้นขับประกวดกุร์านอยากจะมีศิละปะอะไรในอะัมาเปร์ศิละปะครบเขียนคุร์าน เขาเขียนกุตตานมาสีดอยากให้มันสวยงามเลยทำอะไรอ่ะเียุตตานเติมไปหมดมาสิดที่เมืองจีนเขาบอกว่าเขียนกุตตานทั้งเล่มเลยอ่ะเขียนคุตตานทั้งเล่มเลยในเป็นในพนธุสลักใช่ไหเออไม่ธรรมดานะกคุตตานก็ไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อเพื่อสิ่งเหล่านี้เนีไยทําได้สิ่งเหล่านี้แต่หา ก, กว่าคุตตานเนี่ย เป็นอุทาหรณ์จริงสําหรับปัญญาชนแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไหมายถึงว่าจะเขียนกุฎอ่านสลักกุฎอ่านในผนังนี่ด้พอพ อ, พ อ, พอมีเหตุผลที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถกระทําได้ไม่บาปไม่ถึงขั้นบาปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราถูกสอนว่าออทําแบบนี้เนี่ยคือสุดยอดแล้วหมายว่ากุฎอ่านิยูนีอยู่ที่มัสยิดนี่นสลักอยู่ที่มสัสยิด หรือสลักในหินน่ะหรือสลักสลักขอให้สักไว้ในตัวเราเองนี่สักเลยนะให้มันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่กุฎอ่านนั่อยู่แค่นี้นะในธนาคารไม่มีกุฎอ่านในธรรมเนียบไม่มีกุฎอ่านในครอบครัวไม่มีกุฎอ่านในชีวิตไม่มีกุฎอ่านมารยาทเราก็ไม่มีกุฎอ่านกัุ้ฎอ่านนั้นไม่ดีไม่ดีปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวในภาคส่วนต่างๆของชีวิตเลย แต่สลักว่าอยู่ในมัศดเยอะเนี่ ย, ยพิยมพ์กุดอ่านไว้เยอะแจกกุดอ่านไว้เยอะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะเรื่องราวของบรรดา น, นาบีอซูลก็เช่นเดียวกัน <c oughs> มีไว้อ่านและเป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยบังเอิญบางเอิญจะพูดถึงท่านนาบีมูซาและฟิรา่าอนี่ขณะที่เรากําลังราลึกถึงเรื่องราวของการต่อสู้ของท่านนาบีมูซากับ กับบ no ุคคลที่ท้าทายพระเจ้าบอกว่าบอกกับชาวอีว่าอนรบุกุมูลอัลลฉันเนี่คือพระเจ้าพระเจ้าสูงสุดเลยนะหมายถึงว่ามีพระเจ้าเยอะเหมือนกันนะยอมรับว่ามีพระเจ้าแต่ฉันนี่คือพระเจ้าองค์องค์สูงสุดเลยอะความบังอาจของเพื่อเอาแค่นี้นี่นะเพียงพอที่จะให้ผู้ศรัทธานี่ต้องดูถูกคนเหล่านี้แล้วก็ต้องต่ําต้อยคนนี้เนี่ยให้ ไม่ให้มีคือไม่มีเกียรติเลยอะ่ะคนมาบังอาจตั้งตัวเองเป็นภาคีกับพระเจ้าอ่ะนะแต่ปรากฏ ว, ว่ามันบังเอิญบังเอิญบังเอิญจริงๆเขาเปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่อียบอ่ะนะโอ้โหกับไอตัวไอตัวฟิรอาหุที่มันมีทัศน์หน้าหนึ่งว่าไอตัวฟิรอาหุที่ไล่ล่าท่านนบีมูซ่า ก็คือตัวเดียวที่เขาสร้างรูปปั้นชื่อรัมสิสรัมสิสรัมสิสที่สองเนี่ยที่เขามีรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หนักที่สุดในโลกแล้วเขาก็ไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปผู้นําที่มาเปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปรําลึกแล้วก็ทางสื่อที่ประเทศอิบเนี่ยเทิดเกียรติ พิวิธภันนี้เนี่ยว่ามันแสดงถึงอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอของคนอียิบรุ่นแรกนี่ที่เขามีอรารยธรรมเจ็ดพันกว่าปีาชาวอียิปต์นี่ต้องภูมิใจผู้รู้ท่านหนึ่งชื่อเชคมุสตาฟารดาวีนี่ทนไม่ได้เขาเนี่ยถูกข้ามแล้วนี่ไม่ให้ฟะตวัวไม่อะไรเนี่ามายถึงว่าเขารู้ว่าท่านเนี่ยโดนเพ่งเลงแล้ว ว่าพูดอะไรเนี่ยให้ระวังแต่เขาทนไม่ไหวไงเขาก็เลยบันทึกวิดีโอว่าโอ้ oh, ชา้าอียิปต์อย่าไปหลงกลเรื่องนี้นะเฟรดอานี่เฟรดานี่คือเราต้องคือเราต้องรู้ว่าคนนี้เป็นใครอะ่ะคนนี้ที่มามาอ้างตัวเองเป็นพากีก็อัลลอฮ์นะกว่าอานาบุกูลอาลานะเราเราต้องรังเกียจคนพวกนี้ไม่ใช่ภูมิใจมันเป็นปรศาษาที่น่าอับอายเพราะฟรดเอาเนี่ยเป็นคนโซลม เป็นคนที่อธรรมข่มเหงประชาชนของเขามันไม่ใช่ประวัติที่น่าภูมิใจแต่อย่างใดอย่าไปหลงกลไอ้ชาวฝรั่งที่เขาทึ่งกับการงานก่อสร้างของชาวอียิปต์เรื่องบิรามิดเรื่องรูปปั้นของเขาแล้วก็ไปหลงเชื่อกับแอบโปรแปร์กันดาว่าอารยธรรมอียิปต์เนี่ยเป็นอารยธรรมที่สุดยอดของมนุษย์ไม่ใช่เขาบันทึกเทป ช่วงบ่ายลงตอนเย็นช่วงค่ำนี่ถูกจับกลุมกลางคืนตอนดึกนี่ก็มีข่าวว่าถูกปล่อยแต่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าปากยังไม่ได้ปล่อยก็ยังจับกุมอยู่ <c oughs> พอจะเข้าใจนะถ้่มีใครหมิ่นประมาทคนที่มีชีวิตเนี่ยกระโดนคดีหมิ่นประมาทนะทีนี้ไปหมิ่นประมาทฟิเอาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหพันกว่าปีนะ เออกฎหมายนี่ยังฟื้นคืนชีพมีมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งบอกว่าคู่กรณีคู่กรณีเนี่ยอยู่ไหน呀ในขอดูตัวไหนดิไอฟิรามันอยู่ไหน呀มันมันไปฟ้องอายการที่ไหนไปไปแจ้งความที่ไหนไม่มันเป็นพฤติกรรมของภาครัฐ ที่ไม่ต้องการเสียงศาสนาไม่ต้องการเสียงของกุรอานี่มาก่อกวนการหลอกลวงประชาชนหลอกลวงสมองชาวโลกเขาไม่ต้องการแคนที่ฟังกุรอานี่ถ้ า, าว่าสติปัญญานี่พร้อมที่จะที่จะรับสัญญาณจากอัลลอฮ์เนี่ยเเป็นปัญญาชนทันทีเลยเขาไม่ต้องการให้เราได้เป็นปัญญาชนไง ต้องการให้ประชาชนเป็นคนง้อเหมือนชาวอียิปต์ต่กอนนู่นนะ่ะที่ถูกคมเห็นประชาชนทั้งประชาชนเนี่ยจะต้องถูกถูกใช้เป็นไพร่เป็นทาตสร้างสร้างบิลามิดเพื่ออะไรเพื่อเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสุสานหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันได้ประโยชน์ ท, ที่ไม่มีทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าว่าประโยชน์ของบิลามิดนี่คืออะไรเขาก็ยังขัดแย้งกัน ตกลงเป็นสุสานจริงหรือเป็นเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าบางทศนานะระห์บอกว่าเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าก็ช่วยขอดูอานนะครับให้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าก็ยังมีนะผู้รู้ที่ยังสืบทอดคำสั่งสอนของอัลกุรอานแล้วทนไม่ได้เลยทนม่ได้ที่จริงเนี่ยเชงมุสตาฟานีผมรู้จัก ผมรู้จักแกเป็นคนที่ระวังรองโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับทางการนี่แกจะระวังมากเลยพยายามที่จะไม่กระทบกระทั่งกับเจ้าหนะ้าที่กับนโยบายกับอะไรเนี่ยเขาจะได้ทำงานดาว่าอย่างต่อเนื่องกระทุกวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เหลือแทบคนเดียวนะไม่กี่คนนะ่ะที่สามารถทำงานไนดะ้ไม่กี่คนนะ่ะไดจะอีบทั้งหมดเนะี่ยที่ทำงานศาสนาแล้วก็พูดความจริงนะ่ะ ไ, ไม่กี่คนนะ่ะ แล้วก็ทนไม่ทนไม่ไหวไงเพราะไอ้ไอ้ไอพ้พิธีเปิดพิธีเปิดพิพธภัณฑ์เนี่ยมันมันเกินมันเกินความสามารถของคนที่ปลูกพันธุ์เอากุตอาจเนี่ยที่จะเพิกเฉยนิ่งเฉยกับการหลอกลวงการหลอกลวงของคนที่คนที่เขาไม่มีพ่อข้อปลูกพันธุ์กับกุตอาจ ก็มาหาอะไรที่ทําให้ค่อยนี่ภูมิใจฝรดังเขาชอบเขาชอบอะไรทาฟาโรอย่างนี้เอออย่างงั้นก็เอาเนี้ยมาเป็นมาเป็นเครื่องหมายฝรั่งเขาจะได้ให้เกียรติแต่ถ้าเรายึดมั่นในอิสลามยึดมั่นในฝรั่งเขาเขาจะเฉยอ่ะเขาเฉยแต่ถ้าเราเอาฟาโรนี่มาอวนว้าวโอ้ฟาโรว้าว แต่เอาต่านบีมุ h a ม m a เอาบรรดานบีรษูลมามาม า, มาอวดดีนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เาหน้าไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจผู้ศรัทธานี่ก็ต้องมาเลือกมาเลือกข้างให้ชัดเจนนะครับว่าอุตานี่ว่ายังไงพระเจ้าของเรานี่เรื่องที่เล่ามาเนี่ยให้เราได้ตระหนักได้เข้าใจในคำสั่งสอน แล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นบทเรียนให้เป็นจุดยืนเป็นวิถีชีวิตอันนี้คือประโยชน์ของการเรียนรว้นกุรอ่านแล้วก็ฟังเรื่องเล่าของพระเจ้าของเราจากอัลกุรอานวันนี้เราจะไปเร็วหน่อยนะเพราะจะพยายามเพื่อเรื่องของท่านนาบีมูซากาับเฟรอนประมาณสิบสอายะตั้งแต่จะสบห้าถึง93้าสิบสาม ทั م งบ้านเราจากนั้ ه ب ็ม ن ا ารพิจาร و าอย่างล ا เอียดถี่ถ้วนว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอี่ถนว้องมีการพารณาอย่างี่ถ้าจะต้องมการพิจารณา่างลเอาจะต้อกา่างละเอีี่ถนว่าจมีกรราลี่าอรอ่ลีนว่้มีิรอีีนาจะตียาลอียดถีอิาอล้วีาอ่ เทเราเล่ามาทั้งในสูรานี้แล้วกับสูร่าอื่นๆด้วยมิมบาดิฮิมหลังจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วเนี่ยบาอันาเราได้สง่มสงมูซาและฮารูนส่งมูซาและฮารูนสองคนพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องฮารูนเ่เป็นพี่มูซาเป็นน้องแล้วเขามีพี่สาวคน ฮารุนเล่มามุสานบินมีพิษเอาคนนี่ย่หล่วในสุรษ์อัลกัซซัซพอฟิราฮนประกาศว่าพอเขาได้ไปฝันฝันว่าอำนาจของเขาความเมียของเขาเนี่ยมันจะล่มสลายด้วยด้วยน้ำมือของลูกหลานบนุอิสราเอลเขาก็เลยสั่งการว่า ใครเกิดใหม่เนี่ยเด็กชายเกิดใหม่ที่ชุมชนของบนุอิสราเอลนี่นะให้สังหารแัละแล้วก็ดลใจให้มันดาของท่านนบีมูซานี่ใส่ท่านนบีมูซาในหีบแล้วก็ทิ้งไปในแม่น้าเลยเรื่องนี้ไม่มีเนี่ยเรื่องนี้ในสเร่าลาอรักแล้วก็สุระสุร่ากัสส์และสุระในยูนัสไม่มี ท่านเน่ยท่านมันดาของท่านนาบีมูซานี่ก็ได้ได้ทําตามที่ํทาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ให้นางได้ตัสรู้แต่ในคุรานก็เอาให้นีอิละอุมมีมูซาเราได้ว่ายุแก่มารดาของมูซาอุลมาบางท่านน่ะนะเขายึดตาม ตามคาเลยถ้ามาดานบีมูซานี่เยรับวเนี่ยก็เป็นรสูญเนี่ยเป็นนบีไงแนี่คือทัศนะของอุลามะบางท่านอย่างอิบดุฮะซเนี่ยว่าในบรรดานบีรสูญนี่มีสตรีแลวก็ยกตัวอย่างในบรรดานบีรูลนี่กนี่อุมมูซานี่มดาของท่านนบีมูซ่าแล้วก็ท่านหญิงมารยัมอย่างนี้เป็นต้นเพราะในคุตานนี่มีใช้คาว่าเอาให้นะ ทัศนาอุลมาสุนมากบอกว่าคำ ว, ว่าอัลฮัย น, น์มันมีสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือว่าิยูแท้ๆนี่วะฮยูนี่ก็คือจิบรีลนี่มาส่งสารในนี่นี่นี่คือสัญญาณว่าเป็นนบีอัลกุสุนนะวะฮยูี่อีกอย่างหนึ่งก็คือการสอนแบบให้ทัสรูให้ดนใจแต่ว่าทัศ ร, รู้เองรู้เองรู้ได้ได้พบความจริงได้พบ ข้อแนะนําที่ดีเหมือนที่เขาใช้นี่กับพระพุทธเจ้านี่เขาตัดสรุตัดสรุนี่ไม่ใช่ว่าอยูนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่แต่สรู้เองได้ได้พบพบความจริงแล้วทําไมต้องตีความแบบนี้ล่ะเพราะคํานี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ใช้ใช้กับพึ่งพึ่งว่อฮาลบุกะอิลลัลหนลีว่าเอาฮานิงะวะฮิยูนี่อูดิบรีลมาวะฮิยูกับพึ่ง แน่นอนนไม่ใช่การเอาลังสอนนะ่ะสอนยังไงอย่างก็สอนโดยสัญชาตญาณนนะสัญชาตญาณของพึ่งเนี่ยนะมันเกิดมานี่มันรู้เลยเหมือนมนุษย์เรานี่เกิดมานี่รู้เลยต้องกินนมที่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเกิดมานี่แม่ครัวอยู่ไหนเ่ยรู้ขวดนมสักขวดหนึง่งวิวเกิดมานี่รู้เลยว่าต้องกินนมที่ไหนรู้เลยแล้วเวลากินนมนี่นะคือ ผู้เป็นแม่นี่นะรู้ไหมผู้เป็นแม่นี่นะจะให้นมลูกอะ่ะให้ไม่เป็นตอนไปฝากท้องเนี่ยหมอนี่เขาจะแนะนำคนที่มาฝากตั้งครรภ์ น, นี่นะให้ฝึกวิธีให้นมกับลูก แม่ในเวลาเขาไปฝึกนี่นะเขาก็จะถามหมอถามพยาบาลแล้วก็ลูกเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้เนะี่ยเขาก็จะตอบจนสุดท้ายเนะี่ยเออถามเยอะนะเออเองเอง ด, ดูลูกกินเองเอย่าเยอะน่ยดูลูกมันด้วยเดูลูกมันด้วยก็จริงด้วยคือตอนลูกเนี่ยจับเต้านมของแม่นี่นะ ไม่มีใครสอนลูกนะไม่มีใครสอนลูกว่าต้องบีบยังไงเนี่ยเพราะสอนลูกลูกมันก็จับแล้วก็บีบบีบของมันนะมันเล่นแล้วก็บีบต้านมของมันเองก็ดูแมวดิก็เหมือนกันแมวในเวลามันดูดนมนมแม่แล้วก็ดูดบีบแล้วก็บีบมันนวดนวดนมมันมันเรียนมาที่ไหนอ่ะรู้ใช้นวดนะนวดเต้านมจะได้ไม่ไมีวะาอยู่ยตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงสัญชาตญาณที่อัลลอฮ์ดลใจไว้ที่อัลลอฮ์ให้ สอนไว้ให้เป็นเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตทญานพอหีบนี้เนี่ยไปอยู่ที่วังของฟิราอและภรรยาฟิราวเนี่ยที่ไม่มีลูกกันนะก็เลยขอข อ, ขอ ม, ามาเป็นบุตรบุญธรรมนี่มาเลี้ยงในวังโดยที่อัลลอเนี่ยได้ปิดบัง ปัญญาสติปัญญาของพิเราเนี่ยไม่คิดไม่คาดเลยว่านี่อาจจะเป็นลูกหลานบนรุอิสราเอลไม่ใช่หรือไม่คิดเลยภรรยาขอเลี้ยงในบ้านในวังอ่ะมีสิ่งท้าทายที่สุดเนี่ยที่อัลลอ์บอกว่าเอ็งสั่งให้ฆ่าลูกหลานบนุอิสราเอลจะได้ไม่มีใคร มาล้มล้างอำนาจของเองใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะให้คนที่ล้มล้างอำนาจของตัวเองไงนะถูกเลี้ยงและเติบโตในบ้านของตัวเองนี่แหละนี่คือคือคือสุดยอดของอำนาจของอัลลอฮ์สุบฮานาวะดาละที่จะท้าทายมนุษย์ที่ที่ไม่ไม่ยอมรับในอำนาจของลอสักพักหนึ่งมารดาของท่านนาบีมูซาก็เลยส่งพี่สาว قالت لأخته ห ص ي ه به น ن بهك خاندي ف م س و อย به عن جنوب เธอก็สังเกตน่ยไปโดนไปส่องหาเนี่ยก็นั่งเฝ้าดูเนฝั่งมัศรเนี่ยก็เหมือนไปสังเกตอะไรสักอย่างเนี่ยเออนี่เขามีลูกใหม่เอ้ยใหม่ได้ไงอะเมียที่เอานี่ไม่เห็นจะมีลูกเลยว่เอ้ยมันเป็นเรื่องแปลกๆพอไปสาะหาข้อมูลเนี่ยใช่แล้วใช่เลย ก็เลยไปเสนอให้พาะมูซาเนี่ยไม่ยอมกินนมจากใครเลยเอาแม่นมมาจา้างแม่นมแบบดังๆที่มีความสามารถที่มีนมเยอะอให้นมกับมูซานะี่ยบีมูซาก็ไม่ยอมไม่ยอมกินนมใครเลยจนพี่สาวเขาเนี่ยไปเสนอมีมีมีแม่นมคนหนึงเขาเสนอมาให้นมลองดูไหมลองดูพอมานดานาบมีมาให้นมกินนมใช้เลย แล้วเขาไม่รู้ว่านี่คือแม่แท้แม่จริงของท่านนบีมูซาแต่ที่หลังนี่นะภรรยาของฟิราวนี่ก็รู้แล้วก็เห็นอพินิหารหลายอย่างในตัวท่านนบีมูซาทําให้สุดท้ายเนี่ยภรรยาฟิราวนี่ก็ได้ศรัทธาในท่านนบีแต่ฟิราวนี่ไม่เอาอัลลอฮ์ก็เลยให้ท่านนบีท่านนบีมูซาและกับฮารูนเนี่ยได้ทําหน้าที่ไปสอน ไปมอบคำสั่งสอนของอัลลอ์กับฟิรังและนี่คือข้อเว้นต้องมีคำสั่งเฉพาะเพราท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮลาิยซาลลัมได้บอกว่าสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยได้เป็นมีอภิสิทธิ์อื่นจากบรรดา น, นาบีละอสูลทั้งหลายเนี่ยว่าบรรดา น, นาบีรอสูลทุกคนนีนะ่ถูกส่งไปยังกลุ่มชนของเขาเท่านั้น นบีมูซา่านบีอิสสะเฉพาบบดุอิสราเีลนบีอิสาะนี่คุ้มชบบดุอิสรบบสาเนะ อ, อลไม่ใช่รชาชาชัทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าจะไปจะไปเทศนากับกลุ่มชนดีไม่ใช่กลุ่มชนของท่านนี่นะก็จะต้องมีเราก็ต้องมีจดหมายแต่งตั้งใช่ไหมเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับหน้าที่ทำหน้าที่แค่นี้ ถ้าจะล่วงเกินไปทําหน้าที่อย่าง อ, อืน่นนี่อันนี้นนไม่ได้เนี่ยต้องเจ้านายเนี่ยต้องสั่งนี่ไงทุมมาบาอัสนามินบาดีมูซาแะฮารุนอิลาฟิรอูนะนอกจากว่าหน้าที่ของมูซาแล้วก็ฟิทแล้วก็ฮารูนในการที่จะดาวะแล้ก็ฟื้นฟูคําสั่งสอนของศาสนายู่กับบรรดุอิสราเอลที่อียิปต์ที่มันผ่านเวลาเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็บรนุอิสราเอลนี่ก็เริ่มที่จะลืมคําสั่งสอน คท่านนบีอิสฮะท sun, a, f oon, f sa ่านนบียา ع و บแล้วท่านนบียูซุฟลืม Allah ก็ส่งนบีมูซามาฟื้นฟูศาสนาอยู่ให้บรรดอิสราเอลแต่นี้จะได้ทำหน้าที่นี่ต้องประท้ากับพิราอก่อนที่จะประท้ากับพิราอนี่ก็ต้องเทศนาก่อนต้องต้องสอนก่อนต้องเอาคำสอนของพระเจ้านี่มามาบอกเล่าก่อนเนี่ยบาสนา นี่เป็นการแต่งตั้งเฉพาะพิเศษิละฟิร์อาอูนอวะไปยังฟิร์อาอูนฟอนันนี้คือภาษาคุรานฟารงคเรกันฟาโรฟาโรฟาโรกาฟาโรตัวอีโบลานเนีย เขาจะเรียกอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะสำเนียงเขานี่ยจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้ามุสลิมเราเนี่ยจะมาพูดถึงฟิราอูในคุรานะนก็เรียกตามกุรานดิเรียกอะไรนะฟิรฟิรมาจากไหนนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยผมเนี่ยกำลังหาตำราที่จะเล่าว่าเอ๊ะทำไมคนไทยมาลายูเนี่ยชอบเรียกฟิราอู ฟิรูนอามาจากม่เล็กกับฟิรูนดูมนุชาการนะโอ้โนี่มันแงนะฟิรูนโอโหไม่ใช่นะกุตานะนไม่มีฟิรูนนี่ม่มีเลยเล่าถึงคนคนนี้ในกุตานะคือฟิราอุนไม่มีฟิรูนฟิรูนนี่ม่มีอ๋อ เ, เรื่องเล็กอย่าถือละไ ม, ไม่ไม่ถือแต่บางทีเนี่ย มาอานะนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าทุ่มมา ب ع น้ามิ่นบัลเดหมูซาแะฮารนอีลาฟิรอานกอันฟเนอันตัมมนียงตูกตังเลยนะพี่น้องเนี่ยนี่นะเรื่องของฟิรูนี่ผมจะมาเล่าให้ฟังเอาก็เรื่องเดียวกันนี่แหละเนื้อหาเดียวกันนี่แหละทาไมกลายกลายเป็นคนนู้นฟิร์อนคนนี้ฟิรูนนักวิชาการดังๆนะดังๆนะอ่านกุานก็เป็น ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออผิดหรืออะไรนะไม่ก็คือความเข่งคัดของนักวิชาการในเวลาเขาพูดถึงเขาเรียกว่าอัลลอฮฺอัลกุรอานีคำศัพท์ของกุรานั่นนะอัลลอฮฺุลกุรอานียู่ถ้าจะใช้คําศัพท์ของคุรานนี้นะก็ต้องคือเราไม่รู้ละภาษาอื่นวัาานธรรมอื่นเขาเรียกอะไรแต่ทางคุาเขาเรียกอย่างนี้เราก็ได้อย่างนี้อิบราฮิมอิบรอฮีม มีคิราอันอิบราฮิมอ e no. <Yeah. S 1> ิบราฮมมีเราจะเรียกท่านนบีอิบราฮิมอิบร i ฮิมมีคิราอัครับจะเรียกว่าอิบราฮิมมีมีกิราอัครับแต่จะเรียกอิบราห์มนี่น่าจะมาเล่าเรื่องอิบราห์มให้อิบราหมนี่ไม่มีในก r a n นะนบียูซุฟการรูกานบียูซุฟนี่กัโจเซฟนี่แหละโจเซฟนี่แหละ แต่ถ้าเรามาโอ้โหเอาพี่น้องท่านนาบีจเซฟนี่นะก็ได้ก็คือคนเดียวกันใช่ไหมไม่แต่ถ้าเราจะมาเล่าเรื่องท่านนาบีซูฟที่กุรอาดแล้วว่านะเราต้องให้เกียรติอัลลอุซุลกุรอานต้องให้เกียรติร an. คำาหกรรมกุรอานฟิรอาวนไม่ได้เป็นชื่อของกษัตริย์แต่เป็นฉายาของผู้นำสูงสุดของอียิปต์ตลอดกาล ใครๆก็เรียกว่าเหมือนคำว่ากษัตริย์เนี่ยใครที่เป็นกษัตริย์ของชาวอียิปต์โบราณนี่นะเขาก็จะเรียกกันฟิราห์แต่มักจะเรียกกับกษัตริย์ที่เขามีอำนาจล้นพน้นอำนาจเบ็ดเสร็จและมีประวัติในการข่มเหงหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยรับผลกระทบจากอำนาจสุดๆแบบนี้จนๆแบบว่า ประชาชนเนี่ยต้องต้องแย่ไปด้วยอ่ถ้ากษัตริย์แบบนี้ เ, เขาเก็จะเรียกกันฟิราอนในวัฒนธรรมและภาษาอื่นๆเนี่ยก็จะใช้ฉายานี้เนี่ยกับทุกผู้นำที่มีลักษณะข่มเหงประชาชนเรียกว่าฟิราอนเหมือนกันนักกุชาการที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเวลาเขาจะพูดถึงผู้นำในปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมคงเหะคมเหงษประชาชนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชื่อเขาจะเล่าเรื่องฟิรางวั<อ>ขึ้นคุ้บ้านนี่เล่าเรื่องฟืรางวัเนี่ยคนที่นั่นฟังนี่อ๋ออันนี้มูบารักใช่มทีนี้ต้องเล่าเรื่องเรื่องฟื้รางวันี่ตามในคุฎอ่านนะนะคือเขาจะเอาผิดไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะรานะคุฎอ่านน่ยคุจะเอาเล่าเรื่องฟิ้นรางวัเล่าไปฮะมีอะไร แล้วพิราบบอกกับมูซ่าว่าก็คนที่นั่งเขก็รู้อะแต่มีเนี่ยมีเพื่อนผมหนึ่งเป็นคาเตบในขึ้นกุตุบ้านนี่นะเขาเล่าเรื่องพิราว่าก็เห็นไหมนี่นะพิราวนี่นะพอ่ฝ่าฟื้นอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ต้มน้ําอยู่ในกุตตานชัดเจนนี่นะไม่เอานบีไม่เอามูซ่าไม่เอาคําสอนนี่อัลลอฮ์ก็ให้ต้มน้ําไปเลยเห็นไหมช่วยอะไรไม่ได้ท่านจะมีทหารพิราวก็มีทหารไงท่านจะมีทหาร ท่านจะมี ร, อรพอใส่แว่นดำํำ <c oughs> ถูกเรียกเลยนะความมั่นคงเรียกเลย <c oughs> ถามคําถามแรกเลยว่าอาหารฟิล์ลานี่มีแว่นดำมั้งมึง <c oughs> แว่นดำเนี่ก็คือกาดกากาดเนี่มึงใส่แว่นดํากันทั่วโลกใช่ไหม <c oughs> เขาก็รู้กันนะว่าผู้นําประเทศเนี่ยต้องมีกาดและกาดนี่ต้องใส่แว่นดําดันเอาเรื่องนี้นี่ยไปใส่ตอนเล่าเรื่องฟิลลาวนี่นะมามาม า, มานี่ ฟิลอาว์ไหนที่มีทหารใส่แว่นดำอะไม่ใช่เลยก็ชินมุสตาฟลาดวีเนี่พูดถึงฟิลอาว์ที่ถูกระบุในกุรานนะว่าฟิลอาว์ที่ท้าทายอัลลอฮ์ที่บอกว่าอันระบุคุมุลอาลอันนี้คนนี้ไม่น่าภูมิใจก็พูดเรื่องเนื้อหาในกุรานชัดชัดและแกไม่ได้พูดเรื่องพิพิธภัณฑ์เลยนะไม่ได้พูดเรื่องพิพิธภัณฑ์เลยเขาบอกว่าถ้ามีพิพิธภัณฑ์นะนะไปได้แต่ไปจะได้รำลึก รำลึกถึงถึงชะตากรรมของคนที่ฝากฝืนอัลลอฮ์ก็เขาก็ยังมีพระบอกว่าถ้าจะไปก็ไปได้อย่างไปยังไปได้อยู่นะยังไปได้อยู่แต่ไปเนี่ยก็ต้องปรับเนีย่ยถ้าเขาก็ไม่ไม่เชื่อไงว่าเขาเขาเขาบอกว่าคือกล้าคือไม่มีใครในประเดทศอีบเนี่ย กล้าที่จะวิจารณ์เรื่องนี้ในประเทศอิมนะคือนอกประเทศเนีวิจารณ์กันทั่วโลกเลยทั่วโลกแม้กระทั่งค่าใช้ใจ่ายสร้างวิทยาพัณฑ์เนี่ยก็เงินกู้มาจากญี่ปุ่นสองพันกว่าล้านดอลลาร์พุ่มใจพุ่มใจตรงไหนก็ไม่รู้ไปยืมชาวบ้านไปแบมือของเงินชาวบ้านจะได้สร้างพิพิธภัณฑ์ได้ส่งนบีมูซาแล้วก็ฮะโรนอิเลฟเรอานะไปยังฟีรนอนเมลอและบรรดาผู้นำของเขา คือผมแปลกใจนะครับว่าคำแปลของนักเกรยียนเก่าอาหรับหรือเล่มอื่นแม้กระทั่งอาจารย์ดิเรกซึ่งมีความละเอียดอ่อนในการพิสูจน์เนื้อหาความหมายคำศัพท์ตอนแปลและก็เทียบคำแปลนะท่านก็ได้แปลคล้ายๆเนี่ยผู้นำแต่คำว่ามะละเนี่ยมะละก็คือกลุ่มชนไม่จำเป็นต้องผู้นำ แสดงว่าท่านนาบีมูซาได้ถูกส่งไปยังฟิรอาวนและ ก, กลุ่มชนของเขาก็หมายถึงว่าชาวอียิปต์แต่ถ้าเราบอกว่าถูกส่งไปยังฟิรอาวนและบรรดาผู้นำของเขาและชาวอียิปต์ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ผู้นำอย่างเดียวไงแล้วก็คนสา ม, มัญชนคนทั่วไปนี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าท่านนาบีมูซาใน้านยฟิรานี่นะเอา้า รวบรวมประชาชนมาหมดเลยอ่ะทำไมทําไมต้องรวบรวมประชาชนะเพราะนบีมูซาจ ะ, สะแสดงมุอดีษอบินิหารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นประชูลเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์ดาว่าของท่านในการเทศน์สันนัต้องการให้ถึงหูประชาชนทุกคนอัลลอฮ์จึงอัลลอฮ์จึงบอกว่าอีเลฟิร้าวนะไปยังฟิร้าและกาแม่ละลอีฮีก็คือกลุ่มชนของเขาซึ่งเป็นคำอธิบายของ แบบซีร์ทุกเล่มว่ามาละมาละนี่ก็แปลว่ากลุ่มชนของเขาก็คือคนคคนของฟิลิปปนส์นะครับ first บารุบีแอยาทินาด้วนสัญญาณทั้งหลายของเรานี่คือมอดิซาในอายะตนี่ก็คือมอดิซาเนี่ยป็นิหารที่อัลลอฮ์ส่งไปกับนบีระสูลทั้งหลายเนี่ยรวมถึงท่านนบีมูซาแล้วก็ first the บารพวกเขาก็ย่อยิ่งโอหัง ต่ออภินิหารของท่านนาบีมูซาโดยพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความผิดว่าการพกเขามนมุจริมีนซึ่งในสุรัยูนุสนีก็ไม่ได้บอกว่าอายัดอภินิหารนี่มีอะไรบ้างในสุร่อื่นสุรัตตอฮ า, าสุรัตละอารับสุระการนี่ก็มีเลาวบางสุรน า, านอย่างตอฮาเลาละเอียดที่สุดเนี่ยเรื่องวจาสตร์นี่ก็คือเรื่องมู นะงูตัวปลอมของนักเสศาสตร์หรือนักมายากลของฟิราอูเนี่ยงูปลอมแต่ท่านนาบีได้ได้ให้ไม้เท้าของท่านเนี่ยเป็นเป็นงูตัวจริงตัวใหญ่ที่มากินงูตัวปลอมของนักมายากลแล้วก็ท่านนาบีมูซาเนี่ยเอามือเข้าไปในในเสื้อผ้าของท่านเนี่ยแล้วก็ออกมากลายเป็น เมื่อที่มีผิวสีขาวอันนี้มีระบุในกุรั้นสุร่าอื่นหนึง่งเชนสุรัตตอฮาแต่สุรัตยูนสุสเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เล่ารายละเอียดซึ่งมอดีษะเนี่ยต้องเข้าใจกันก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถกระทำได้โดยถ้ามีใครกระทำได้ แสดงว่าเขาต้องมีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนี้นี่แหละที่จะเป็นหลักฐานในคําอ้างในคําอ้างของเขาว่าเขาเป็นรอซูลมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์บะตาอื่นมาจึงบอกว่าอัลมูฮ์ดิซัตุเดลิยุลนูบุวะติมูฮ์ดิซัตเป็นหลักฐานของความเป็นดบีเอาอภินี่หานนี่ มันจะแตกต่างอะไรกับกรารมัดกรารมัดนี่ก็คืออภินิหารแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นนบีละอุสุนอภินิหารเรื่องเกิดขึ้นกับบรรดาวลีคนที่มีตะกววคนคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยแต่คนดีของอ AH ัลลอฮ์เนี่ยที่มีการมัดเนี่ยเขาจะไม่อ้างว่าเขาเป็นนบีละอุสุนไงเขาจะไม่อ้าง ว่าเขามาจากพระเจ้าเป็นเป็นศา ส, สนทูตข้อแตกต่างในระหว่างกะรมัดกับมวัวกิจันนี้ก็คือก็คือข้ออ้างของคนที่ได้เอาอภินิหารมาอ้างเนี่ยแต่เขาอ้างว่าเป็นนบีรสรุ่เนี่ยนี่แสดงว่าอภินิหาร น, นี่เป็นหลักฐานว่าเขาเป็นนบีรสรุ่และหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้ประกาศว่าไม่มีนบีจะมาอีกแล้ว ทุกคนที่มาอ้างว่าเป็นนบีหรือรัชูลไม่สามารถนําอภินิานห า, นารหรือมรดกจัตหรือกรรมะฏนี่มาอ้างเลยเหมือนสมัยก่อนเหมือนยุค ก, ก่อนนั่นก็ไม่มีไม่มีใครสามารถหลายคนนะครับที่มาอ้างเป็นนบีแต่ไม่มีไม่มีกรรมะฏหรือไม่มีอภินิหารที่ยิ่งใหญ่ที่น่าทึ่งอะนะสําหรับมนุษย์เนี่ยให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นนบีหรือรัชูล ความจริงและสัจธรรมนี้มันไม่ได้อยู่ในตัวอภินิหารตัวมุ่ออิจาตแต่มันอยู่ในคำสอนที่มาพร้อมอภินิหารดังนั้นอัลลอฮฺเลยบอกว่าแฝัมมาจะกอะูมุลฮักกูมินอินดีนะครั้นเมื่อความจริงจะเกล้าได้มาอย่างพวกเขาแล้วตัวมุ่ออิจาตอย่างเช่นงูไม่เท้าของท่านนาบีมูซาที่กลายเป็นงูมือของทา น, นาบีมุสาที่ผิวกลาเป็นผิวขาวตัวเลยเนี่ย ตัวอภินิหารนี่ไม่ได้พูดว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวและพวกเจ้าเนี่ยต้องสักการะพระเจ้าองค์เดียวตัวอภินิหารไม่ได้พูดแต่คําสอนที่ท่านนบีมูซามาพูดต่อว่านี่ฉันเป็นระซูลมาจากอัลลอฮ์นละอัลลอฮ์สั่งว่าพวกเจ้านี่อย่าเขารับสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คืออัลฮักฟะลัมมาเจ้าหุมุลฮักแตหากว่าอภินิหารท่านนบีมูซานี่ มาแสดงความสามารถเรื่องบินิหารอย่างเดียวนี่นะมันก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกกระดูดูดแล้วสนุกอ่ะแค่มาโชว์ว่าเออของตัวเองเนี่ยเอาไม่ทา้ามาเป็นงูตัวเล็กๆแต่ไม่ท้าของฉันเนี่ยมันจะเป็นงูตัวจริงแล้วก็มากินงูของพวกตัวเองแลโอมันก็กลายเป็นโชว์ที่สนุกสนุกอย่างเดียว แต่มันไม่ได้ไม่ได้แค่อพินิหารอย่างเดียวมโนทิฏฐอย่างเดียวมันมีคําสอนมามาตามมานี่นะว่า น, นี่คือความสามารถที่พระเจ้าให้กับฉันและฝากมาบอกพวกเจ้าด้วยนะว่าพวกเจ้านี่อย่าเชื่ออย่าเคารพสักการะอื่นจากพระองค์ท่านเนื้อหาของสัจธรรมนี่มันอยู่ตรงนี้และเรื่องนี้ ก็จะถูกนำมาใช้แม้กระทั่งกับการมัตวะลีิัิหาที่เกิดขึ้นกับวะลีหมายถึงว่าคนคนดีที่มัจเนอบีนะก็จะมีการมัดใช่ไหมอิหม่ามชเียได้บอกกับลูกศิษย์บอกว่าแต่เห็นใครบินน่ะนะแต่เห็นต้ววะลีนี่บินเห็นเขาดำน้าเดินบนน้าเห็นทะลุกำแพง จงอย่าเชื่ออย่าเชื่อเขาจนกว่าจะต้องเอาพฤติกรรมของเขาวิถีชีวิตของเขาเนี่มาเปรียบเทียบกับคําสอนในกุตาอัลฮานิสตะกี้ผมบอกว่าบินทะลุ ก, กําแพงนี่อิหม่ามช افي พูดพูดไวจริงๆแนตะ่เป็นรายงานจากท่านอิหม่ามช افي ว่าจะเห็นถ้าเห็นโต๊ะอลีบินเดินบนน้ำทะลุ ก, กําแพงอย่าเชื่อจนจะเอา ผมก็เรื่องว่าอิมามชาบีนี่ก็คงพูดแบบวัววัวไปนิดนึงอะนะจนไปเจอโตะหมอไม่เทาคือเขาเขียนนะ่ะนะเขาเขียนในในใ น, ในคลินิกของท่านนะคลินิกเขาเขียนไว้นะถ้ายังไม่ได้บินยังไม่ได้เดินบนน้ํายังไม่ได้ทะลุ ก, กําแพงไม่ต้องมาคุยไม่คุยเขาเขียนไว้เลยนะใครที่มาท้ามาอะไรเขาแสดงว่าเขานี่นะผ่านไปแล้ว ผ่านไปเขาเดินบนน้ามาแล้วเขาบินมาแล้วทะลุกําแพงมาแล้วไม่ต้องมาคุยกับเขาไม่ต้องคุยอันนว่ามัมชาฟีอีเนี่ยนึ่งพันกว่าปีนี่ท่านท่านท่านเคยเจอเหมือนกันนะมันมีมันมีของจริงทําไมอะ่ะเพราะมันมีมียุคหนึ่งอะ่ะพวกตตวารีเนี่ยที่แสดงแสดงความสามารถพิเศษนี่แล้วก็มาหลอกชาวบ้าน จริงชาวบา้านชาวบา้านเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ไปไปพิสูจน์ตามเลยะยังตะวลีจะมาบอกกับชาวบา้านนะบอกว่าฉันน่ะอยู่เนี่ยอยู่อยู่ในทุ่งนานี่น่ะกับพวกเองอะนะพวกเองละหมาดดูรีไปแล้วใช่ไใช่แต่ข้ า, าพเจ้านี Three ่ไปละหมาดที Zel ่มักกะแล้วเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเนี่กลังเช็ดน้ำจจำเนี่นน้ำจํากลังเช็ดอยู่พอาได้ละหมาดชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านนี่เขาอันนี้เป็น เป็นโตครูของเขาเป็นใช่ไหมเขาก็เขาก็จะไม่ขอหลักฐานหรอกว่ า, วาเออแล้วก็แล้วก็ตอนบินไปมะ ก, กาเนี่ยได้เห็นอะไรบ้างผ่านนิวเดลีไหมอได้เห็นเมืองแบกแดดอะไรไหมเนี่ยเขาคงไม่ได้ตรวจสอบอะไรแบบนี้นะเขาก็เชื่อแล้วก็มาเล่าต่อ แ, ตแบบนี้นะียที่มันเกิดขึ้นในยุคอิมามชเวียีนะศตวรรษที่สองนะหลงเชื่อตามคนที่หลอกลวงชาวบ้านเอาเอาไปนิหาร บรมปานีมาเล่าให้ชาวบ้านฟังพิสูจว่าตัวเองเป็นวัลีเอ้าแล้วเป็นวัวลีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเชื่อฟังแล้วสิเป็นวัลีสั่งขวาก็ต้องขวาซ้ายก็ต้องซ้ายเอาเงินมานี่นึ่ก็ต้องให้นี่ตัววัลีนี่ยเขาก็วิธีของเขาเนี่ยการมัดเอาการมัดนี่มาใชะอิมามชาบีตัดบทเลยตัดบทเลยเพราะบรรดานับีุลลาะห์ซูลเนี่ย เขาไม่ได้เอาโมจิสาดนี่มาหลอกชาวบ้านให้ชาวบ้านเอาผลประโยชน์มาให้นบีละระซูลเพราะบร น, นั้ น, นบีละระซูลทุกคนนี่นะรู้ว่าเส้นทางนี้เนี่ยบ้านปลายนี่อาจจะต้องถูกสังหารก็ได้แ้วคนอยากได้ผลประโยชน์นี่เขาไม่เสี่ยงตัวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอริกัสซูฟีทั่วโลกะนะเขาจะมีระบบเซฟตี้ให้ตัวเองเนี่ย ได้รอดในทุกสถานการณ์ล่าสุดนี่นะครับฮามิตตี้นี่นะการบฏของสุนที่สังหารหมู่ประชาชนนี่นะเขาพูดเลยนะเขาบอกว่าบรรดาตริกัสซูฟีในประเทศสุ丹ทั้งหมดนี่นะสนับสนุนข้าพเจ้าและแถมให้ด้วยอย่าว่าตริกัสซูฟีอย่างเดียวที่สน <laughs> ับสนุนนะมัดฮลีด้วยมัดคัลีด้วย ซาลาฟีสุดโต่งที่บอกว่าอ้างว่าต้องเชื่อฟังผู้นําทําไมรู้มหมเพราะมัตคอลี่นี่นะเขามีอาการแพ้เ ก, กี่ยวกับอิควานแล้วเขามารู้ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามมนะันมีอิควานช่วยเขาก็เลยไปยืนอีกฝั่งหนึ่งเขาไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งแต่สังเกตง่ายๆนะครับว่าพวกในพ้นพวกทหารในใ น, ใ น, ใ, นในโลกมุสลิ ม, มนะ ถ้าเขาอยากจะซื้อใจประชาชนนี่นะให้ต๊ะคูสักคนหนึ่งมานั่งมานั่งข้างๆฟาตาซีซีนี่ยอาตุลฟาตาซีซีเนี่ยมามารักทหารดีอีกนะกบฏมูรซี่ใช่ไหมเอาโต๊ะคูนักกิชาการเช็อาซัสนี่มานั่งข้างๆตอนอ่านแถลงการกบฏมูรซี่ทําไมอ่ะเพอต๊ะครูนี่นักกิชาการเนี่ยเขามีคําสอนนเรียกว่าอัลฮักเขามีคําสอนที่ชาวบ้านนี่ มอบไว้วางใจอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเขาเนี่คือผู้สืบทอดคำสั่งสอนของพระเจ้าและเป็นไปนไม่ได้คนที่สืบทอดคำสอนของพระเจ้านี่จะต้องมาสนับสนุนคนอเล็มหรือคนคนชั่วนะถ้าระดับนี่ระดับอาจารย์คนนี้ระดับเช็คคนนี้ระดับเช็คอาชัดนี่เนี่ย้นี่สแสดงว่าใช่แล้วสแสดงถูกต้องแล้วสบายใจได้เลย จะไม่ว่าชาวบ้านไม่ได้หรอกเวลาเห็นตโตคูหรือนักกุศการที่ทำให้ชาวบ้านได้หลงทั้งด้านทีสัจจธรรมที่ตัวเองมีเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้ออํานวยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างผู้รู้คนหนึ่งของอซาั์นี่ไปประเทศอินโดเขาก็มีผู้เขาเขาเป็นเขาเป็นสูฟีตาริกัตด้วยนะ ไปอินโดนีอินโดนี่ซูฟีก็เยอะเหมือนกันนะเขาก็ชอบชื่นชมเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นคนที่มีตอรบกัาแต่เขาอยากจะยกย่องหน่อยนะนะเขาเข้าไปต้อนรับไปต้อนรับแล้วก็มานั่งโซฟาทีนี้เขาจะย้ายไปอีกอาคารหนึ่งโอ้โหคุณไม่ต้องลุกเลยนะให้คนนี่มายกโซฟานี่ยกโซฟาคุณไม่ต้องลงจากโซฟานี่จะยกให้ยกนี่ยกจากย้ายอาคารนี่นะจากอาคารนี้ไปนี่นี่คือแล้วยอมด้วยนะ มองมไปจากบนโซฟานี่เอ อ, เ อ, อมนุษย์นี่ตั้มต้อยที่สุดนี่นะเวลาเล่นบทเดร์ฉานไรปัญญาตั้มต้อยที่สุดมีสมองยังก็ไม่มีสมองมีเพื่ออะไรอะกะโหลกนี่มีเพื่ออะไรตรงอกนี่มีเพื่ออะไรอะหัวใจและสมองที่เออรอให้มาไรประโยชน์จริง แต่้าคุณอ่านนี่นะให้ให้ปัญญากับเราเนี่ยสัจธรรมนี่เป็นไปไม่ได้สัจธรรมนี่จะทําให้มนุษย์เนี่ยจะต้องมามาเคารพสักการะมนุษย์ด้วยกันในอัลลอฮ์ไฉแล้วขบรรดาลบดราซูลเนี่ยริซาล่าของเขาสารของเขานี่คือให้คนเนี่ยมุ่งไปหาอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องมองมนุษย์เนี่ยเป็นใหญ่มนุษย์เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ไม่ตามคําสอนพระเจ้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องไม่ต้องมีค่าเลยไม่ต้องมีราคา คุณอ่านนสมถึงคุณอ่านเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นเป็นพลังงานสำคัญของผู้ศรัทธาทุกคนเป็นเชื้อเพลิงอะแต่จะปฏิเสจธจาสรานี่ยังไงอะมันเป็นวิธีการวิธีการขอ ง, ของทุกของทุกยุคทุ ก, ท ก, ท ก, ท ก, ทกสมัยอะล่ะเพราะนัมาจะองคุมรรคกมีนี่ั้นเมื่อความจริงจะกราได้มาอย่างพวกเขาแล้วเนี่ยพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริง นี่คือวิทยากลนคือมายากลใช้คำว่าวิทยานี่ก็ก็ก็รูแร้แล้วอ่ะรู้แล้วมันน่าจะมันไม่มีวิทยาวิทยานี่มันมันวิชาการหน่อยนะมันเล่มอื่นเขาก็ไม่ใช้กันวิทยากตอันนี้อันนี้เขาคือ เ, อเ ร, เร่เข้าใช้มายากลไง ถ้าเขาใช้ไยากลมันก็สามเก้าอย่างอื่นวิทยามันก็โอเคแต่มันมันดูเหมือนหรูไปอะคือคนไปยุไปยกย่องนักเสาเขากลายเป็นเป็นเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนวิทยาวิทยากรอาจารย์ดิเรกเนี่ยเขาพอเขาเข า, เข า, เขาอะซาฮาราเนี่ยเสียให้ ح, นีมมายา้มายากรแล้วกนะเสียให้ละมายากรอันละสวยนะมายากร อ น, นี้เราวิทยากรและสัจจะมันจะได้ฮะวิทยากรวิทยากรจะกลายเป็นวิทยากรเขาบอกว่าแท้จริงหมายถึงว่าฟิราอุนนะไปใส่ร้ายนาบีมูซาว่าที่เจ้าเอามานี่นะมันก็คือมายากลหลอกลวงเสียหาเหมือนกันน่ะ อันชัดแจ้งเดี๋ยวเราจะรู้ว่าท่านนาบีมูซาเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างท่านนาบีมูซาคําพูดของท่านนาบีมูซาและคําพูดของนักไยศาสตร์หรือมายากรนี่นะมันต่างกันพากะเหวเลยอันฮักต่อท่ท่านนาบีมูซาออมานี่ก็คือเชิญชวน ให้มนุษยชาติเนี่ยได้เคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวแล้วไม่ต้องเคารพสักการะมนุษย์อย่างฟิราวนี่นะให้เป็นพระเจา้านี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่มันสัจธรรมนี่มันเป็ น, นเรื่องมันเป็นเนื้อหาที่มีสาระแต่นักมายากลนี่นะเขาไม่เขาไม่มีสัจธรรมอะไรแบบนี้เขามาแสดงมายากลเพื่อยืนยันว่าฟิราวนั่นน่ะเป็นพระเจา้า หลังเนี่ยหลั ง, ลงยูนัสเยก็จะมีสุรดูดและในเร่างชวราระนุ่นนะและสุรตตาฮาก่อนที่ฟิรานเนี่ยจะเอานักมายกลเนี่ยมาท้าทายกับนบีมูซานะนักมายกล น, นี่บอกว่าถ้าเราชนะมูซาได้อะเราจะได้อะไรเราจะได้อะไร ว่าโอ้โยกย่อ ง, องมีรางวัลใหญ่หลวงแล้วก็พวกเจ้าเดี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดกับฉันคนคนค น, คนมีเส้นมีสายอ่ะคนเดี๋ยวเดยวเดยจะอยู่เป็นเป็น พ, พวกเดียวกันเขามาแสดงอิทธิฤทธิ์ของมายากลของเขานี่นะเพื่อยืนยันในข้ออ้างของฟิราห์ว่าเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าสุงสุดอัน ระหว่างข้ออ้างของนักไมายากลของพวกเราและข้ออ้างของท่านนาบีมูซานี่นะมันคนละเรื่องของท่านนาบีมูซาก็คือสัจธรรมยืนยันนะว่าอัลลอฮ์นี่เป็นเจ้าของนักมายากลเนี่ยยืนยันนะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพระเจ้าซึ่งข้ออ้างมันไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ที่สําคัญนะ่ะนะเอา้าในเมื่อนี่ก็คือข้ออ้างอาจจะนี่คือข้ออ้างและนี่ข้ออ้าง แต่พี่เราเนี่ยก็เอานักมายากลนี่นะ่ยมาสแสดงอะไรอ่ะก็สะแสดงมายากลเหมือนกันนะแต่ทําไมทีนบีมูซามาสแสดงมอิจจาดีนะโดนกล่าวหาว่านี่คือมายากลเอา้าก็ ก, ก็เองก็ใช้นี่ตัวเองกอ็ใช้อ่ะถ้าหากว่านาบีมูซาใช้มายากลเน่ยนะมันไม่น่าจะเป็นข้อตําหนิที่จะมาตําหนิท่านนาบีมูซาเพราะมันเป็นสิ่งที่ตัวเองเอามาใช้เหมือนกัน แต่เราจะรู้นะครับว่าที่ที่ฟิร์อานี่ยได้ได้เอามาใช้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงนบีมูซาาึงบาวว่าขาลามูซาอตกลงนลิล حق ลิมมาเจักุมอสิพรน์ฮะดะลาอุฟลิุสซาฮรูมูซาได้กล่าวว่าพวกท่านกล่าวร้ายต่อความจริงเนี่ยฮักที่ท่านนบีมูซากล่าวร้ายต่อความจริงเมื่อมันได้มาอย่างพวกท่านเช่นนั้นหรือ นี่หรือวิทยากรนี่คือไสยศาสตร์นี่คือมายากลหรือหมายถึงว่าพวกท่านเนี่ยพอเห็นอภินิหารบอดิザดของฉันเนี่ยมาตั้งคําถามว่านี่คือมายากลหรือคือท่านนาบีมูซ่าตามิแม้กระทั่งตั้งคําถามเนี่ยเป็นการดูถูกมอดิザดของรพระองค์ฮะรบะ มินประมาทด้วยโฆษณาของบ้านเรานี่นะอันนี้สอนว่าเป็นความรู้เนี่ยเวลาไปพิมพ์อะไรไปโพสอะไรนะเวลาว่าคนอื่นนี่นะถ้าไม่เอ่ยชื่อนี่นะเขาจะฟ้องเราไม่ได้ก็จะดีนะไปว่าคนอื่นเนี่ยนะถ้าเอ่ยชื่อชัดๆนี่นะเขาฟ้องได้เนี่ยแต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อ ขอให้มีสั ญ, ญลักษณ์ขอให้มีอะไรนะทําไมเอ่ยชื่อนะเขาฟอ้องเราไม่ได้แต่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วก็ฟ้องไม่ได้ล่ะตั้งเป็นคําถามคุณเป็นโจรหรือคุณเป็นสกรรมเมอร์หรือคุณเป็นจีนสนับสนุนจีนเทาหรืออันนี้เนะี่ยฟ้องไม่ได้ทําไมอ่ะดีกาแล้ว่นะเขาตั้งคําถามเขาไม่ได้กล่าวหา ดีกาแล้วนะเยอะเลยฟ้องกันนะนะมาจบทีนี้จึงเป็นประเพณีของนักข่าวนี่นักอ่านข่าวเล่าข่าวยันทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตนะจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าทิ้งคําถามตอนท้ายเนี่ยจบเลยฟ้องไม่ได้ละทําไมอะ่ะแค่ตั้งคาําถามเขาถามก็ไม่ไดีกล่าวหนาะแต่เป็นที่รู้ๆกันนะครัเนี่ยเวลาตั้งคําถามอะนะเวลาตั้งคาถามเนี่ยมันเป็นการดูถูกโดยปริยาย มึงบ้าเปล่าเนี่ยอาผมไม่ได้ด่าเลยผมแค่ตั้งคำถามจบไหมล่ะขวายป่ะอ่ะเรื่อยๆไปเลยเนี่ยเอาเอาสารพัดสารพัดคำดา่าสัจสงวนด้วยนะฮะในบ้าไอ้นันป่ะผมไม่ได้ดา่าผมแค่ตั้งตั้งคำถามแต่ที่จริงแล้วอนนะนะ คือคนนี้เขาไม่อยากเอาเรื่องอะนะคือถ้าว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาควรที่จะมองถึงเจตนาด้วยไงขาอกฎหมายเนี่ยก็มองเจตนาเป็นหลักแต่นี่ไม่มองเจตนามองสำนวนชัดๆเลยนะมันผิดเขาไดยก็อะไรผิดจิตวิญญาณของของร่างพระราชบัญญัติคือเขาต้องคนมินประมาทนี่นะเา เจตนาเขาหมิ่นประมาทนะเขาชัดเจนขวายเปล่าเขาเจตนาเขาหมิ่นประมาทชัดๆนะแต่บอกว่าปล่าเขาไม่ได้ด่าเขาตั้งคําถามนี่อันนี้ไม่ได้ดูเจตนาเ น, นี่ยดูสำนวนชัดๆ ด, ดูสำนวนดูดูอักษรนนะ่ะถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ควรที่จะมองแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรานี่ยหมายถึงว่าคนชาวบ้านนะนะแล้วเราไม่ไม่อยากหาเรื่องกับใครอะนะได้หรือถ้ามีใครมาบอกว่าเปล่าเปล่า ไม่ไม่อยา่างถ้าจะเอาเรื่องอะนะถ้าเอาเรื่องกนะันต่อไปเนะี่ยถ้าเขาถามว่ามึงเปาหรือเปล่าเปล่ามึงอ่นแหะอันนี้อันนี้คือต่อยอดนะ่ะต่อยอดท่านอ um ุมาเรนย์อับดุลอาซีซเนี่ยเดินในมัสยิดน บ, บีนะแต่ก่อนนั้นนะ่ะกลางคืนเนี่ยไม่มีไม่มีไฟไม่มีอะไรก็มีคนนอนในมัสยิดเนี่ยท่านเดินเนี่ยก็ไปหกกรล้มเนี่ยไปไปสะดุดโดนไปเตะคนนอนอยู่เขาก็ไม่เห็นนะว่าใครคารีฟานขารีฟาเดินอยู่ เขาก็บอกว่าบ้าเปล่าผมราอีสบอกว่เปล่าคาลฟน่าคาลิฟานีคือความขันติอดทนของผู้นาต่อประชาชนบ้าหรือเปล่าเปล่าาองค์คารลักนี่บอกคนอุไปจะด่าคาลฟา่าผู้นาด่าอะไรนี่บก็ผมตอบไปแล้วไงเขาแค่ถามว่าบ้าหรือเปล่าผมก็บอกว่าเปล่านีไง คือถ้คือถ้าไม่เอาเรื่องกนะันอันนี้มชาชใช้แบบเป็นแบบการให้อภัยกันไงแต่บางทีนี่เห็นเจตนาชัดๆในการที่จะหมิ่นประมาทโดยตั้งคําถามเลี่ยงจะได้ไม่ถูกฟ้องกันนะผมว่าผมว่าอันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่คนกล้าหาญถ้าอยากจะเอยอยเอยเอยชื่อเลยโดนฟ้องไม่โดนฟ้องในสู้คดีในสู้คดีแล้วยอมติดคุกนี่ก็ต้องยอมติดคุกนี่ถ้าเป็นลูกผู้ชายนะ ใครอยากจะพูดความจริงนะก็พูดไปเลยถึงจะถูกฟ้องแต่ความจริงต้องปรากฏเนะ่ยมันก็ต้องปรากฏแต่น บ, บีมูซานี่เห็นว่าการตั้งคําถามนี้เนี่ยเขามาตั้งคําถามกันนบนบีมูซาที่น บ, บีมูซาแสดงอภินิหารนี่บอกว่าไยศาสตร์หรือเปล่ามอากรณหรือเปล่าแค่นี้เนี่ยก็เป็นการดูถูกมอริซากของออนรอนแล้วน บ, บีมูซาก็เลยบอกว่าอตัตกลูนะ มาพูดมาอ้างถึงศัตรธรรมที่มาจากอัลลอฮ์นี่ว่านี่คือสายศาหรือเปล่ากระนั้นหรือหมายถึงว่าแค่ตั้งคำถามนี่นะน่าตาหนิอย่างยิ่งเพราะเป็นการดูถูกอภินิหารของอัลลอฮ์ทำไมนบีมูซากล้าพูดแบบนี้กับฟิราหน่ะในสูราอื่นๆนี่นะมันประจักษ์ชัดแล้วว่าสายศารรของฟิราห์นิ่มพ่ายแพ้ แล้วคนนี่มายืนยันนะว่าท่านน บ, บีมูซามีความจริงและสัจธรรมนี่ก็คือนักมายากลซะเองเราศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและกัฮารุนศรัทธาเลยที่เราเานี่เครื่องดิไปศรัทธาได้ไงยังไม่ขออนอุญาตนักมายากลก็บอกว่าจะทําอะไรก็ทําเราศรัทธาแล้วเราไม่ถอยเราไม่กลับคำศรัทธาแล้วนี่คือความจริงก็นี่ขนาดประจักษ์แล้วนะว่า อภินิหารของท่านนบีมูซาเนี่ยมันเหนือกว่าแน่นอนแล้วที่เราเียังบังอาจที่จะมาดูถูกกับอภินิหารนั่นนี่นี่มายากลหรือเปล่าเป็นเศษศาสหรือเปล่านบีมูซาก็ต้องทำนี้ดิเพอะแท้จริงมายากลเนี่ยมันไม่เคยสําเร็จหรือเจริญว่าายุฟลิฮุสซาฮิรุนและนักกุฎยากลนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จดอก พอเถียงกันเรื่องอภินิหารเรื่องมอดิษฐ์ไม่ได้แล้วนะก็มาดูเรื่องรัฐศาสตร์เถียงกับท่านนบีมูซาเรื่องรัฐศาสตร์เป็นขันตอนเป็นขันตอนพวกเขากล่าวว่าที่เราเอากลุ่มชนของเขาใ่กาวว่า ท่านมาหาเราเพื่อที่จะหันเหเราออกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นคือศาสนาของบรรพบุรุษของเราลิตัลฟิตนาอัมมาวจนาลาอบอ น, นะให้เราหนีห่างออกจากที่บรรพบุรุษเนี่ยได้ฝากมา ก, กับเราและเพื่อที่ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นของท่าน ทั้นสงังเครนันรือว่าคุนลนักมัลคิบ ร, รียาอูในที่โมูซามีวัตถุประสงค์สังประการใช่ไหมหนึ่งทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยฝากไว้กับเราที่เราได้พบเจอบรรพบุรุษก็เคารพสักการะในสมัยฟิราห์น่ะนะก็สักการะบรรดาที่ป้าเจ้าอะไรต่างๆแล้วก็ฟิราห์เนี่ยก็เป็นองค์ใหญ่นี่คือเราได้สืบท อ, อดสืบท อ, อดกันมาจากบรรพบุรุษ และถ้าเราได้ทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษฝากไว้กับเรานี่เราก็ต้องตามพวกท่านทั้งสองใช่ไหมถ้าตามพวกท่านทั้งสองนี่พวกท่านก็จะเป็นผู้นําของเราใช่ไหมพวกท่านทั้งสองก็จะเป็นผู้ใหญ่ของพวกเราใช่ไหมก็เป็นคนยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินแทนฟิราห์ใช่ไหมนนี้รัฐศาสตร์นีรัฐศาสตร์นักการเมือง โดยเฉพาะในตะวันออกกลางแล้วก็โลกมุสลิมเวลามีอิสลามิกปาร์ตี้พักอิสลามิกหน่อยพักที่ใช้ศาสนาเรื่องการปกครองอิสลามมานมามาเล่นการเมืองอ่ะพักอื่นนี่นะที่เขาไม่เอาอิสลามคือเขาต่อต้านอิสลามนี่แล้วใช่ปะพอมีพักประเทศมันประชาธิ ป, ปตยยไตยไงทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จ ะ, ท, จะที่จะหาเสียง พราอิสลามิกปาร์ตี้เนี่ยเขาก็เรียกร้องให้คนมาเลือกตั้งเพราะเขาเป็นพรรคที่จะฟื้นฟูระบอบอิสลามพรรคอื่นเนี่ยก็เครื่องสิเฮ้ยไม่แฟรไม่แฟร์ทำไมอ่ะไม่แฟรเพราะประชาชนเนี่ยด n a อของเขาเนี่ยชอบอิสลามอยู่แล้วและแต่พรรคมุสลิมเนี่ยพักที่เอาอิสลามเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแม่เหล็กนี่นะ ถ้าเขาหาเสียงนี่นะโอแน่นอนไม่ต้องแจกตังค์ในชาวบ้านก็เอาอยู่แล้วแต่พรรคอื่นนี่นะไม่เอาอิสลามมาเขาจะมาหาเสียงอิสลามเขาก็ไม่เอาอิสลามอยู่แล้ว<ม>เขาปกครองมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะให้กฎหมายอิสลามนี่มามาบริหารบ้านเมืองฉะนั้นเขาจะฟ้องจะฟ้องอิสลามิกปาร์ตี้นี่นะว่าเขาเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือ ในการหาเสียงฟังสํานวนนี้แล้วเนี่ยะเออดูดีมันเอาอิสลามเอาศาสนาอันบริสุทธิ์มาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเล่นการเมืองซึ่งการเมืองมันสกปรกและอิสลามมันบผมคุณมากเลยเนี่ยตะกะเนี่ยคุณมากเลยอะเชกอย่าเล่นการเมืองนะเพราะเชกนี่สะอาดอยู่แล้ว เช็กสอนคําสอนของอิสลามนี่มันสะอาดมันสวยงามแต่การเมืองนี่มันสกปรกถ้าชิกไปเล่นการเมืองอะนะเช็กก็สกปรกไปด้วยสรุปแล้วอยากจะให้นักการเมืองที่เล่นการเมืองก็คือต้องเป็นคนสกปรกใช่ไหมนี่อันนี้คือผลลัพธ์คือถ้าไม่อยากให้คนสะอาดเล่นการเมืองผลลัพธ์ก็คือ เฮ้ยคุณสก็บอกเรื่องการเมืองแล้วตอนนี้เนี่ยที่เราทิพหายกันทุกวันนี้เนี่ยในบ้านเมืองนี่เพราะอะไรก็บอ ก, กนักการเมืองสักก็บอกเล่นการเมืองไงเป็นผมนะผมเคยพูดนะน ใ, ใ, ใ, ในในในความฝ่ฝันของผมมานะ่ะถ้าผมได้มีโอกาสเข้าสภาแล้วก็มีสักสามร้อยเสียงอะนะผมจะตา ก, กฎหมายขึ้นนะนะให้พระเล่นการเมืองได้ทาไมอ่ะ ผ้าหนีสะอาดกว่านัรเมืองไงตอนนั้นน่ะนะนี่คือรัฐศาสตร์เขาก็เลยบอกกับท่านนบีอูซาว่าเองมาในประเทศสนามแบบนี้เนี่ยอยากจะเป็นผู้นำใช่ไหมอยากจะเป็นเนี่ยอยากจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคนยิ่งใหญ่ในในประเทศอียิปต์ใช่ไหม แต่ขอตอบได้เลยนะมูซาและเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านทั้งสองเป็นแน่อย่างแน่ๆเนี่ยเราจะไม่ศรัทธาอย่างแน่นอนฟิร์เนี่ยก็เลยบอกว่าท้าทายเลยนะว่กอลฟิร์โอนอุตุนีบิคุลีซาหิรอาลีมและฟิร์เนี่ยได้กล่าวว่าพวกท่านจงนํามาให้ฉันนักวิทยากรนักวิทยากล ผู้เชี่ยวชาญทุกคนต้องเข้าใจบริบทนะนักศยลศาสตร์หรือนักวิทยากรสมัยฟิราล์เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนักมายากลอย่างที่เราเข้าใจกันนะที่ออกแสดงรายการโชว์ทีแบบผ่าเช็ดหน้าเป็นนักพิราบอะไรยไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะมายากลนี่มันแค่สาขาหนึ่ง ของนักเศสศาสตร์นี้แต่นักมายากลนี้นี่นะเป็นนักวิชาการเป็นวิศวะกรเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านเคมีอะไรมากมายและหนึ่งในวิชาที่เขาชํานาญการเนี่ยคือเเสาศาศเเ ส, สาศาส์จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่มายากลอย่างเดียวนะเเสาศาศ ต, ตัวจริงนะและเป็นที่รู้กันในในวงบรรดา น, นักเยศาสตร์เนี่ยว่ายศาสตร์ อีบโบราณเนี่ยเป็นเศษศาสตร์มนดำเศษศาสตร์ขังเศษศาสตร์แรงที่เราที่เราได้ยินกันนะว่าของแขกกันนะ <c oughs> คำว่าแขกนี่ก็หมายถึงว่าคนคนนอกคนจากนอกจากต่างด้าวต่างประเทศไงของแขกหนึ่งในนั้นนะ่ะก็คือเศษศาสตร์ของของอีบโบราณ และมีสิ่งที่เขาลือกันว่าบรรดาห้องสุสานที่บรรดาการะสัดเนี่ยเขาเก็บทรัพย์สมบัติขุนทรัพย์ของเขาในห้องนั้นๆ น, น, นะนะแล้วเวลาเขาปิดห้องเนี่ยเขาก็จะทำาสยศาสตร์คุ้มครองและฝรั่งที่เขาเคยมาเปิดห้องนี้เนี่ยห้องที่มีทรัพย์สมบัติและก็มีเรื่องราวของคนที่เคยร่วมเปิดห้อง คนนึงก็เป็นบ้าบ้างคนนึงก็โดนรถชนตายลึกลับอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าละะ้านะตุลฟรอันาเนี่ยมันเป็นการแช่งของบรรดาฟาโร่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเศษศาสตร์เศษศาสตร์ที่สั่งการให้ยินเฝ้าห้องสุสานที่มีทรัพย์สมบัติ และจะเป็นเศษศาสเฉพาะที่นักเศษศาสตร์เขารู้กันดีและในโลกเรานี้เนี่ยจะมีนักค้นหาคุนทรย์ใต้ดินโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะเขารู้ว่าตั้งแต่สมัยฟาโรห์แล้วก็มี ก, กษัตริย์อื่นๆคนร่ำรวยคนอื่นด้วยโดยเฉพาะกองโจรสลากนี่ที่เขา จะป้นป้นทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปไปเก็บไว้ตามถ้ำเนี่ยหลายคนว่าก็จะมีความสามารถเรื่องการทำของทำเศษศาสตร์เนี่ยให้ยินมาเฝ้าทรัพย์สมบัติก็เป็นที่ลือกันว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีจริงด้วยสมัยโน้นนะนะคนที่เป็นนักเศษศาสตร์นี่ก็คือคนที่เป็นนักบูชากาซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าฟิราห์เนี่ย จะควบคุมอำนาจของประชากรชาวอีพซึ่งเป็นอารยธรรมที่ถือว่าจเจริญที่สุดในยุคนั้นน่ะ น, นะจะควบคุมประชาชนด้วยการเล่นมายากลมันเป็นไปนไม่ได้นักเสแสรดนี้เนี่ยเป็นแพทย์ด้วยเป็นนักเคมีด้วยซึ่งความสามารถสูงของเขานี่ยทำให้เขาเป็นปรมาจารย์ของประชาชนทั้งหมดคนคูเชื่อฟังเชื่อขังบ่าเลยเพราเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้แล้วยังเป็นคนที่ คือความลับของาศาสนาที่ฟิราอุนต้องการต้องการให้ประชาชนนับถื อ, อนี่เป็นดวงอาทิตย์นี่เป็นพระเจ้าแห่งอะไรไอ้นี่เป็นพระเจ้าแห่งอะไรนี่ไอ้พวกนี้แหละจะเป็นคนร่างาศาสนานี่แหละอุปโลกาศาสนานอันนก็ต้อง ม, ตองมีต้องมีความสามารถด้านปัญญาที่จะอธิบายาศาสนาของเขาถ้าจะเรียกได้ว่าคือเขานี่แหละคือาศาสดาของาศาสนาฟิราอุน ไอ้เป็นอานี่เป็นพระเจ้าใช่ไหมเขาอ้างตัวเป็นพระเจ้าใช่ไหมนี่แหละคือศาสดาของพวกเขาฉะนั้นไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นเครื่องมือของนักการปกครองทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีนักวิชาการใช้เครื่องมือในการหลอกลวงประชาช น, นกลไกของนักวิชาการนี้ทุกยุคทุกสมัยนี่นะก็คือการสื่อสารกับประชาชน ทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสยบและเชื่อฟังผู้นำเอาศาสนามาใช้ก็ได้เนี่ยที่พรรคที่ไม่เอาศาสนานี่ไปว่าพรรคที่เอาศาสนาเฮ้ยนีย่เอาศาสนามาเป็นเครื่องมือได้ไงแต่พอเขาปกครองพวกที่ไม่เอาศาสนานเนี่ยพอเขาก็ปกครองแล้ ว, วนะนี่ยังเปิดีิบัธพันธ์อิบัตพันธ์ที่อบะนะพระเจ้ามณีกสวรกซึ่งเป็นอุลมามะฮ์ ออกมาพูดอะไรรู้ป่ะเพราะกระแสที่ต้านพิพิธภัณฑ์นี้ว่ามันเป็นการยกย่องศา ส, สนาโบราณของฟิราห์นซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าอันนี้อันนี้ตะ ก, กะเบสิกมากที่ชาวบ้านนี่เขาเขาคิดกันนะ่ะเอ๊ะท่าีกา็ะทรกลที่เป็นอุลมาซาเน่ที่ถูกยกบนโซฟาใ น, นที่อินโดนเนี่ยคนเดียวกันนี่แหละออกมาพูดอะไรรู้ป่ะคนเดียวเลย ออกมาพูดได้รู้ป่าบอกว่าที่จริงเนี่ยพวกฟาโรนี่นะพวกฟิราลนี่นะเดิมๆ เ, เนี่ยไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นพวกฟาโรที่บูชาดวงอาทิตย์เขาน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ฮิกซุส์ฮิกซุสนี่มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากมาจากจแดนและเคยมายึดครองประเทศอียิปต์และพวกนี้เนี่ยก็คือมีศาสนาเหมือนทัา น, นาบีซักและกะยา ก, กุ้มเนี่ยก็คือเชื่อในพระเจ้า เขาบอกว่าฟาโร่เนี่ยมันน่าจะเป็นพวกที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวลงมาคือทั้งหมดนี่เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกต่อต้านพิพิธภัณฑ์พราที่จริงเนี่ยฟาโร่ที่มีโชว์รูปปั้นนี่ทั้งหมดเนี่ยพวกนี้นี่นะเป็นมุสลิมทั้งนั้นโอ้โหเหมือนดื่มน้ําโคกเย็นๆเลยนะบดื่มน้ําคกแล้วก็โอ้โหแล้วก็สุดท้ายนี่ยพอมันรู้สึกเออทําอะไรเรอ และนี่คือบทบาทของนักวิชาการประเภทนี้นี่นะที่จะอัดฉีดใช้เครื่องมือศาสนานี่แหละอัดฉีดให้ชาวบ้านนี่นะรู้สึกสบายใจนักวิชาการคนหนึ่งอาซาดเหมือนกันนะนะถูกถามว่าเนี่ยคนที่เป็นนักสแสดงเป็นนักรอ้องอาชีพเขาเนี่ฮลโหลลไหมรายได้เขาเนี่ฮัลโหลลไหม ถ้านักร้องเนี่ยเอารายได้เขานี่มาสร้างมัสยิดละหมาที่มัสยิดได้ไหมก็มีแหละอุลามาที่ให้ความสบายใจกับพวกนี้เนี่ยบอกวโอ้สบายใจได้เลยสบายใจได้เลยเพราะเพราะการแสดงเนี่ยมันเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญในสังคมคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยกำลังทําหน้าที่เผยแพร่คุณงามความดีกับประชาช โอโ้นักแสดงหนึ่งเหมือนกลายเป็นนบีไปเลยนะไม่ต้องมาเถียงเขาเลยในนักแสดงนักร้องเนี่ยเขาบาปหรืออะไรนี่สร้างมัสยิดนี่เขาเขาเป็นคนซอลเลอ์เขาเขาตามรอยซาร์ฟเลยแต่ต้องยอมรับว่ามีนักวิชาการที่เขาออกมาฟาดตัวตรงๆเลยมีนักร้องดังๆคนหนึ่งผู้หญิงเขาก็สร้างมัสยิดใหญ่โตคือที่หอิบเนี่ยต้องเข้าใจนะคนพวกนี้เนี่ยใจลึกๆเนี่ยเขารู้ว่าอาชีพเขาเนี่ยมันไม่ค่อเท่าไหร่ เขาจะทํางานตลอดชีวิตพออายุเขาเจ็ดสิบแล้ว่นะรู้เดี๋ยวก็จะเข้ากูโบแล้วใช่ปะเริ่มทําความดีละสร้างมัสยิดเลียงละศิลป์อดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วทุกเดือนรัมกรนี่ยก็จะมีะเลี้ยงละศิลปอดของนักร้องคนนี้ของนักแสดงคนนี้นี่ตามมัสยิดนะนะเป็นเรื่องธรรมดานี่มัสยิดของนักร้องคนนี้ไอ้คนนี้ อึดอัดเนี่ยรู้เขาจะไม่ไปละหมาดซึ่งมั ส, สยิดพวกนี้มีเยอะนะเขาจะรู้นี่ น, นี่เป็นเป็นมั ส, สยิดของนักร้องรายได้สร้างสร้างมาจากรายได้ของนักร้องนักแสดงนี่จะละหมาดได้ไงคนส่วนมากก็คงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยละหมาดจนกว่าจะมีผู้รู้นี่มาฟตาตัวบอกว่าโอละหมาดได้ทํำไมอะละหมาดได้อ๋อถ้าเป็นการหาไรายได้นี่ ก็เป็นบาปไปละบาปไปละไม่ดีว่าไม่บา ป, ปบาปแต่เป็นบาปของเขาแต่ น, นี่เราละหมาดในมัสยิดเนี่อันนี้เป็นบุญของเราฟังแล้วก็คืรมนะนี่เป็นบาปของเขาแต่นี่เป็นบุญของเราเออก็มันมั น, ม, นมันมีเหตุมีผลนะฟังแล้วนี่มันก็ตัวใครตัวมันไงใช่ไหมคนก็สบายใจก็เออละหมาดเข้าไปละหมาดแบบนี้จะเห็นตลอดนะครับนักวิชาการ ในปัจจุบันนี้เนเวลาเราเห็นนักวิชาการเห็นนักการเมืองเห็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนบิดความจริงหลอกลวงประชาชนให้เชื่อฟังผู้นําทุจริตผู้นํำรอเหลี่ยมนี้นะเขาจะเรียกกันพวกนี้นะนะสหราชูฟ ah ิราวนก็เป็นนักมายากลของฟิราวนของร่วมสมัยนี้ยุคนี้เหมือนกันเลยทําหน้าที่เหมือน นักมายากลสมัยพวกเรานี่คือหลอกลวงประชาชนปิดบังความจริงและสัจธรรมพี่เรานี่จะท้าทายไงแล้วมเมื่อจ้าสาร์ุกาลา ม, มูซาเลกูม أنتم بُلْقُون ภาาทยว่าจะสแสดงความสามารถของแต่ละคนเนี่ยเมือ่อนักวิทยากรมาแล้วมูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านจงโยน สิ่งที่พวกท่านนำมาเพื่อจะโยนเถิดเขาก็โยนไม้อะนะไม้ของเขาเนี่ยไม้ของนักเสาสารเนี่ยไม้เท้าเนี่ยโยนจนกลายเป็นงูตัวเล็กๆนะที่มันเลื้อยที่มันเคลื่อนไหวแล้วคนเนี่ยก็ตกใจเพราะที่เขาเห็นกับสายตาเนี่ยว่าไม้นี่กลายเป็นงูที่มันเคลื่อนไหวฟลั ม, มาอัลกากาลมูซาเมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้ว มูซาได้กล่าวว่ามายีตุมบีสิพรออินนัลลอฮฺจะยุบิลุสิ่งที่พวกท่านนํามานั้นคือวิทยากรแท้จริงอัลลอฮฺจะทรงทําลายมันอินนัลลอฮฺลายุสลิฮฺอามะริบุศิดีนแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงทําให้การงานของบรรดาผู้บ่อนทําลายดีขึ้นพอท่านนาบีมูซาโยนไม้เท้าของท่านนี่นะ กลายเป็นงูตัวใหญ่จริงไม่มีใครจะรู้หรอกว่าไม่เท้าที่มันจะกลายเป็นงูเนี่ยว่าเป็นของจริงเนี่ยนอกจากต้องเป็นนักไสยศาสตร์เป็นนักมายากลเพราะเหตุนี้เนี่นะในบรรดาผู้ที่มาชุมนุมมนะันอ่ะพอท่านนาบีมูซายย้อนไม่เท่าของท่านนี่นะคนที่จัท่านนี่ไม่ยุคกุ้มเดียวเออเป็กอะฟ้าอง์ก็ไม่ได้สัทธา ประชาชนที่มาดูนี่ที่มาชมมาชมโชว์ไงเออฟิลเอาบอกว่ามามามาดูม า, มา ด, มาดูสนุ ก, ก น, นั่นนะดิเบตมามามามามาปรากฏว่าไม่มีใครศรัทธานอกจากนอกจากพระเอกที่ถูกเรียกมาจะได้มาแสดงหมหอ่ะก็คือนักศสลปศารก็คือนักมายากมันต้องคิดเนะนี่ยฟิเราเนี่ยต้องคิดดิเพราะอะไรอ่ะเขานี่นะกับเขาเนี่ยเป็นคนฝึกซ้อมเป็นคนทา ศาสตร์อะไรของเขาที่จะทำให้ไม้เท้าของเขาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีเคลื่อนไหวแม้ว่าจะเป็นเสษาตร์ จ, จริงหมายถึงว่าทำให้ไม้เท้าเนี่ยเป็นมูตัวเล็กจริงทศนาอุลามาบางท่านแต่อ่อนหน่อยหรือทำให้ไม้เนี่ยกลายเป็นสิ่งเหลวที่เคลื่อนไหวได้จึงหลอกชาวบ้านเป็นทศนาหนึ่งหรือไม้เนี่ยมันก็คือไม้แต่เขาหลอกลวงสายตา ของชาวบ้านซึ่งมีอายะที่พูดประมาณนี้เนยว่าที่นักไายกรรเนี่ยเขาทำนี่ก็คือหลอกลวงสายตาและนี่คือทัศนะของอุลมาที่เขาบอกว่าสยศาสตร์นี่ไม่มีจริงมันเป็นการลวงสายตาเท่านั้นจะเป็นทัศนะอะไรก็ตามนะเขารู้เลยว่างูของไม่เท้านะมีมูสัไอ้นี่ของจริงกุยเฮ้ยนีู่ตัวจริงเลยอะ่ะไอ้ของเรานี่มันมันคือ ออ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือที่ไวเนี่ยเขาจะรู้เลยเาขาต้องเาต้องวิจารณ์ภาพจริงกับภาพ AI มันก็เลยเป็นสำนวนเอ้ยภาพ a อก็คือภาพไม่จริงภาพปลอมดูเหมือนจริงนะนะแต่เขาทุกวันนี่ เ, นเขาก็วิจารณ์กันนะว่าเอยังไม่สามารถเรียนแบบให้คือสร้างภาพให้เหมือนเหมือนจริงยังไม่ได้ยังทำไม่ได้ ทำให้เหมือนกล้องถ่ายภาพมันยังทำไม่ได้ก็เลยเป็นสำนวนอ๋อนี่ภาพเออก็คือภาพไม่จริงเอ่อจะเอามาใช้บ้างไงนะอ๋อนี่ไม่ใช่งูตัวจริงนี่งูเอไอไม่ใช่ของจริงฟิโรวไอ้นักเมตากรอนของของพฟิเราเนี่ยรู้เลยนี่เร า, เราคือเราทํามากับมือไงไอ้ของนี้เนี่ยเราชํานาญการแต่ถ้าอันนี้เนะนี่นยนะกนไขทองไงนะ แต่เขาจะขายทองปลอมไอ้พวกร้านที่ขายทองปลอมเนี่ยมันคือร้านที่เชี่ยวชาญในการตรวจทองคำว่าจริงหรือไม่จริงที่สุดเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยฉะนั้นเขาขายปลอมเขาขาของปลอมอะถ้ามีคนมาขายของจริงให้เขาเนี่ยนะเขาจะไม่รู้หรอรู้ดิก็กูขายเองอะ กูทำเองกูคุคคหลอกชาวบ้านเองอ่ะมีคนบอกว่านี่ขายทองจริงหน่อยเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนอ้าแล้วยาจะรู้เหรอรู้สิรู้สิทําเองไงทำมากระมือไงของปมอมจะไม่รู้ได้ไงอ่ะนี่ก็เหมือนกันนี่เสียสารนี่ทำมากระมือแต่อันนี้เนี่ยคือของจริงเลฟท่านท่านเลฟอิบนะอบีสุไลเป็นอุลามา ในยุคแตบิอีตแตบิอีนอาจารย์ของเขาระดับมุจ่าฮิดาวต้อยนบีรบาบก็คือยุคตตบิอีนเป็นอาจารย์ของเขานะไลซิบนบีสุไลมเนี่ยเป็นอุลมามะที่เมืองกูฟะเขาบอกว่าเราได้มีข้อมูลว่าอาย่านี้ใช้ได้ในการลบล้างเสศษสัดคนที่โดนของโดนเศษ ส, สัดโดนผมเคยบอกพี่น้องว่าอย่าใช้คําว่าคุณใส คนจะชอบใช้คํานี้เยอะนะคุณใ ส, สนี่ก็คือสายะเนีคือสัยศาสตร์ใช่ไหมแต่เขาให้เกียรติเขาจะได้คุณคุณใส่อันนี้เราไม่เรียกเพราะมันเป็นการให้เกียรติวิชานี้อย่าใช้คําว่าคุณใส่นะอของเศรศาสตร์ถ้ามีของเนี่ยและอยากจะลบล้างของในตัวคนดีที่โดนของอะนะก็อ่านอาย่านี้เนี่ยใส่น้ําแล้วก็ให้เขากินน้ํา หรืออ่านอายะนี ah ้นแล้วก็ใส่น้ําให้เขาอาบน้ําก็จะใช้ได้ในการช่วยได้ในการล้างของและศาสตร์นี่ไลฟ์อิบนออบบีสุไลมเป็นคนบอกนะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นสลับนะยุคสลับวายุกุลลาหุลฮักกะ بكل มาติฮีวะลาอัครฮัลมุจเรมุนลาลาสุนเฮย์สต์เตตมยืนหยัดอยู่ด้วยคํากล่าวของพระองค์ ก็คือกะรีแม่ที่ะดมรัตของพระองค์ Allah จะให้คําสอนของพระองค์เนี่ยให้สัจธรรมได้ประจักษ์นั่นหมายรวมว่าตัวะดมรัตของ Allah สุภานุวาลาจะเป็นตัวช่วยให้ความจริงได้ปรากฏสําหรับคนที่เผยแพร่คําสอนของ Allah นี่นะจะต้องไม่ได้อยค่ากุราน และตัวบทที่ใช้ในการเผยแร่ในการดาวะความจริงที่บอกกับชาวบ้านนี่นะมันจะมีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นถ้ามีตัวบทมายืนอย่างเพราะนี่คือพระดารัสของอัลลอฮ์ชาวบ้านเนี่เขาไม่ได้มีหน้าที่เชื่อฟังเชื่อฟังผู้รู้เชื่อฟังโตครูลไม่ได้มีหน้าที่เลยชาวบ้านเขามีหน้าที่เชื่อฟังอัลลอฮ์เราละสูลโตคูนี่มาบอกกับชาวบ้านนะว่าอัลลอฮ์ราลูลสอนแบบนี้เนี่ย ถึงโต้คููน่าเชื่อฟังแต่ถ้าต้องครูนี่มาสั่งการให้เชื่อฟังโดยปราศจากเหตุผลจากคําสั่งสอนน่ะนะก็ไม่น่าเชื่อฟังคนดีจะอ้างว่าดาว่าโดยกิตาบุลลอะซุนน์นี่เขาจะต้องมีกิตาบุลลอละซุนนะ์และจะต้องภูมิใจในคําสอนของอัลกุรอานและฮะดีสในการ พูดคุยในการนาเสนอกับคนอื่นุูอ่านละฮะดิษมันก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันจะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีมันจะเริ่มมีการเผยแพร่ที่ที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับอัลกุรอานละะดษมากนักในหมู่คนที่อ้างว่าดาวะด้วยกิบุลลละุนนละลฟนี่นะ กูอานล้วะดีสเนี่ยมันก็กลายเหมือนเป็นบทสวดอ่ะแต่เวลาพูดเวลาคุยกันนะก็มีคุศรพัดเรื่องมีตะ ก, กะมีวิทยาศาสตร์มีอา่าถึงขนาดที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนที่จะมาโต้มาโต้ตกับบิดอาหารมาโต้กับความเชื่อที่แปลกปลอมมานะเอาตำราของคนที่ทำชีริกะ น, นะมาตอบโต้อา่าเขาจะตอบโต้อชัยร้อยอย่างเนี้ย เอปรกฏว่ามีนักกุชการที่เป็นซูฟีตาริกัดแล้วเขาเขียนหนังสือตอบโต้อชาลตอบโต้นักปัญญานีก็เอาและคนเนี้ยผูออ้รู้คนเนี้ยทำชี้ลกชัดๆเลยเป็นซูฟีตาริกัดสุดตรงเลยอ่ะก็เอาตำราของเขาเนี่ยเอาเหตุผลของเขาเนี่ยมาตอบโต้อชาลซึ่งมันไม่เป็นเหตุผลของแนวสลับในการตอบโต้คนอื่นทุกคนแนวสลันบนี่คือคุรานและฮะดีสนี่แหละ กุตลานัิ ว, วลานะฮะดนี่แบบแบบอย่างเดียวเลยที่มันเพียงพอสาหรับคนยึดมันน่นในทางของซลักอัตลักษณ์ของซลนี่คืออะไรคือไม่เอาคนน่ะคนน่ยไม่เอาเอัลลอฮ์และรสูลถ้าคนนี่อ้าอัลลอฮ์และรสูลน่ถึงจะเชื่อฟังแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปะยึกเลยอะเปลี่ยนแปลงไปะ ย, ะยึกคน่อ้างกิจตาบุญอัลลอฮ์และสูลแต่ไม่ไ้สอนกนะิจตาบุอัลลอฮ์และนไม่ได้สอนคุตาลาลนนะ คนอ้างที่จะโบราณสุนทรีย์พระบิดูคนอ่านุูอ่านยังไม่เป็นเลยอ่ะอ่านกูอ่านนังไม่เป็นนะอ่านฮานีสบางทีเนี่ยจะมอ่านฮานิสผิดเพี้ยนไปหมดเลยถึงจะสังเกตนะครับนักวิชาการเนี่ยเวลานั่งบรรยายพูดเนี่ยบรรยายชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงกันะกว่าจะได้อายะสักอายะหนึ่งกว่าจะได้หานิสสักบทหนึ่งเงี้ยะโอ้โหเพราะอะไรล่ะมันคือความยากจนหรือความที่ไม่ ไม่ค่อยเชื่อนักในเหตุผลของกุอตาและหะดีสหรือคิดว่าคนเขาฟังแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่ตระหนักมากก็เลยเอาเอาเรื่องอื่นที่เขาเชื่อฟังถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องยุคที่คนเขาดูสามก๊กนี่นะผมไม่ต้องเอากุอตาและหะดีสมาสอนพี่น้องเอาคำพูดของเล่าปีของนี่ซึ่งพวกนี้เขาก็ เขาก็เก่งเหมือนนี้เหมือนกันนะเขาก็ใช้เก่งเหมือนกันนะเอะอะอะไรกับเล่าบีเอ๊ะอะไรก็โจโฉเอไอกเออพระเดบวรัตหัวลอสุภาณวดาแล้วก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์มีผลสําหรับคนที่เชื่อมั่นในศัตธรรมเสมอคือจะบอกกับพี่น้องเรื่องหนึ่งนะครับว่าวันนี้จะได้จบจบแล้วก็ ที่เหลือนี่องท่านนาบีมูซากับฟีเราเนี่ก็จะเหลืออีกตอนหนึ่งจะได้จบเราจะเหลืออีกสองสมเรื่องแล้วก็จะปิดท้ายเรื่องก่อนที่จะปิดท้ายนี่ก็จะมีเรื่องของท่านนายบียูนุสซึ่งท่านนายบียูนุสนก็อาจจะใช้ตอนหนึ่งเต็มๆเลยนะครับแต่สาหรับวันนี้มีเรื่องหนึ่งของไม่ทันแล้วครับยกยอดแล้วกันคือจะบอกกับพี่น้องเรื่อง บทบาทของคนที่หลอกลวงประชาชนและบิดเบือนความจริงนะไม่ต่างอะไรกับนักเสศาสตร์ที่พยายามบิดเบือนความจริงนักเสศาสตร์นี่มีหน้าที่ในการที่จะบิดความจริงคนที่โดนของเนี่ยจะไม่เป็นตัวเองใช่ไหมสามีก็จะไม่เป็นสามีของของเขา ลูกก็จะไม่เป็นลูกของเขาโดนโดนโดนของนี่ก็จะบิดเปลี่ยนความจริงนี่คือวัตถุประสงค์ของเศาสตร์ที่จะทำใส่ชาวบ้านเช่นเดียวกันใครก็ตามที่ได้มีบทบาทเปลี่ยนแปลงความจริงและสัจธรรมนี่นะเขาก็จะเขาก็จะมีบทบาทเหมือนนักศาสตร์นี่แหละถึงขานาดที่ท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮุสซลลัมได้บอกว่า ความสามารถของวาทศิลป์ที่ทำให้คนเนี่ยได้ฟังแล้วก็ชอบในในในวาทศิลป์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเสศาต์แต่เป็นเสศาติฮัลแลลอินนามินัลบายานลซฮรอคำพูดที่สวยงามที่ยืนยันในความจริงและความถูกต้องอะนะให้คนเนี่ยได้เชื่อฟังความจริงและถูกต้องเนี่ยเปรียบเสมือนเสศาต์แต่เสศาติที่มันถูกต้องเพราะทาให้คนเนี่ย เคลิมกับความจริงหลงเชื่อกับความจริงและความถูกต้องถ้าใครมีความสามารถมีทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเรานี่นะอันนี้บทเรียนที่เราได้มาอย่าได้ทำเหมือนนักสยศาสตร์นักมายากลพยายามทำตัวแล้วก็ให้ทักษะของตัวเองเนี่ยเป็นเงากระจกที่สะท้อนความเป็นจริง คนจะเห็นเรานี่นะเขาจะเห็นความจริงเขาจะไม่เห็นอะไรที่มันซับซ้อนจะไม่เห็นอะไรที่มัน ท, น ท, นที่มันไม่ใช่จริงก็คือจริงแล้วเวลาเราตอบเวลาเราพูดสื่อสารกับชาวบ้านน่ะนะให้คาพูดสื่อสารเนี่ยมันสอดคล้องกับความจริงความจริงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการความถูกต้องเนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันปรากฏในสังคม ความจริงนี่ก็คือสิ่งที่คําสั่งสอนของเลาเราซูเนี่ยได้บอกไว้ถึงแม้ว่าคนไม่ชอบถึงแม้ว่ า, ก ร, ากระแสนิยมเนี่ยไม่อยากได้แต่เราก็ต้องพูดความจริงครับมีคําถามไหมเอาใหม่เราเรามีความไม่สบายใจก็ควรจะบอกพ่อแม่ไหมก็ขอคำแนะนำว่าควรจะไป็นูดดีกว่าเพือให้เราปลอดภัยดีก่อนดี๋นี้มีพ่อแม่แล้วก็มีลูกใช่ปะ และเราไม่สบายใจกับเรื่องที่ลูกอู้ใู่้่ผู้ใหญ่รรนนผู้ใหญ่ผู้ใหญกผู้หให่ผู้่ผู้ใ่ผใ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใ่ใหญ่ผู้ใ่ผ้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ให่ผ้ใหญ่ปู้ใ่ผู้ให่ผ้ใ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้าหญ่ะู้ใหญ่ผู้ใหห้่ใ่่ให้่ห ที่ที่เรากังวลในที่ฐานนี้กังวลเรื่องอะไรครับเปนเรื่องที่ว่าเขาดีรนะับ เ, เ, เรู้สึกเครียดตัวเขารู้สึกเครียดๆอะ่ะก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เขาไม่มีความสามารถที่จะรับรู้เรื่องแล้วก็ให้ข้อแนะนำมันนะก็ะหมายถึงว่าไปเล่าให้เขาฟังเขาก็ยิ่งเครียดเครียดแล้วก็ไม่เราอาจจะไม่ได้ไประโยชน์จากเขาก็ไม่ต้องไปเล่าดีกว่าสมมุติฐานในการเล่าเรื่องขอคำปรึกษาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถให้คาปรึกษา แต่ถ้ามีคนไปฟังเราแฟังเราแล้วอะนะเออปวดหัวแล้วไป๊บจะไปทอะไรก็จก็ก็คงก็ค ง, งไม่ต้องปรึกษาถ้าเรารู้นะว่าเขาคงไม่ไม่ไม่ไหวอะเขารับรู้แล้วจะเครียดไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปปรึกษาเขาดีกว่าต้องดูนะว่าคนที่จะปรึกษาเนี่ยเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าขอกงอการควรเขาเนี่ยว่าเราแต่งงานอยากรล่ออยากหล่อแล้วก็ควรเข่าช่วงนั้น งานรองไหมแล้วก็ช่วงอื่นล่ะไม่ผมเคยตอบแล้วเรื่องเขานี่นะว่าอิมามเนฮาซ์หนังสืออัลอิจมาเล่าเรื่องที่บรรดาสฮฮาบะและสลาฟเนี่ยเขาอิจมากันแล้วเขาพูดจำนวนนี้นะวิตเตฟกูที่อิหม่ามฮาซ์บว่าอิตเตฟกูหมายถงตังสมัยนบีจนถึงยุคของท่านในสัตว์วัดที่ห้า หากเราไปในอุลามะน์อิทธาฟกูเขาเอกฉันไมิเอกฉันกันว่าฮัลก์จามีอันนะฮัลก์จามีอิลลัยที่มุสลัตุละตะจุดการโกนเขาทั้งหมดเลยเนาะโกนทั้งหมดเลยนะมุสลัเป็นการทําลายทําลายร่างกายสรีระธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องบาปอยู่แล้วมุสลันี่เนี่ยในในภาษาอับนี่ก็หมายถึงว่าทําลายร่างกาย เช่นคนมาเออจมูกฉันไม่ชอบตัดจมูกไปเลยบาปที่ทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วบางคนบอกว่าเดี๋ยจะไม่อยากจะมีหูสองข้างอยากจะมีข้างเดียวตัดไปครูบาปทําไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ได้ก็เหมือนกันแหละเคราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิง ก, ก็มีผมของเขาอัลอามาให้ผู้หญิงนี่มีผมแล้วผู้หญิงบอกว่าไม่เอาฉันจะโกนศีรษะ สกิเนตเลยกอนหมดเลยกระบาดมันกันแต่คราที่ต้องไว้เนี่ยเนี่ยอัลลมาเขากิลาฟกันว่าต้องไว้แค่ไหนทัศนาอัลลมาส่วนมากบอกว่าไว้เหมือนท่านนะบีไว้เนี่ยไวให้มันให้มันยาวเรื่องกรรมมือเนี่ยมันก็อีกทัศนะหนึ่งไว้ให้มันยาวอีกทัศนะหนึ่งบอกว่า แล้วยาวเนี่ยสามารถตัดได้แค่ไหนเขาบอกว่าที่มีจากซอฮาบานี่นะให้โกนได้ความยาวเนี่ยหนึ่งกำมือนี่นี่ถ้าเราตัดใช้ตัดมือขวานี่นะก็เอามือซ้ายกำแต่ถ้าเราตัดมือซ้ายก็เอามือขวากำก็ได้นะต้องพูดถ้าอะไรเดี๋ยวพี่น้องเข้าใจว่าอ๋อไม่ได้นี่ถ้าจะกำมือเนี่ยต้องมือซ้ายเหมือนเช่เขาทำไว้อย่างนี้จะไปกำมือขวาไม่ใช่ นี่กำมือกำมือนี่นะหนึ่งกำมือตัดยังไงครับไม่อย่างนี้นะอ่ามขาบอกว่าหนึ่งกำมือแล้วตัดไปเลยอันนี้ไม่ชิดึงจะได้ตัดนะอันนี้ดึงจะได้ดูความยาวแล้วก็ตัดส่วนที่เกินอันนี้มีแรงงานจากการดุลลอร์เนโอมอร์นีมีมีแล้วก็เชคแอลบาดีเนี่ยเขามีทัศนะของเขาเนี่ที่ไม่เหมือนอุลามาท่านอื่นนะนะเขาบอกว่านี่แหละเ้าเนี่ยต้องแค่นี้ มากกว่านี้เนี่ยไม่ควรทําไมอ่ะเพราะก็อับดุลลาห์เนี่ยอัมัลเนี่ยเป็นผู้รายงานข้ดีของท่านนาบีว่าเอาฟิรุนเล่าจงไว้เขาแล้วถ้าผู้รายงานบอกเอาไว้เขาแล้วก็ตัวเองดันว่าตัดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องเข้าใจคําสั่งของท่านนาบีมากที่สุดเช่นอันบานีก็เลยตีความว่าทัศนีของอัลมัลเนี่ยเป็นการอัดถาที่บายคําสั่งของท่านนาบีให้ปฏิบัติแบบนี้แต่ละมาท่านอื่นไม่เห็นด้วยนะ อนนั้นไว้อย่างอย่างใช่บ้านหลไว้เลยไวเล ย, ย, ยไม่ต้องตัดอะไรเลยแต่ไอ้ทัศนะที่ว่าตัดนี่เนะี่ยมันมีปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่ยุคซาฮายยบัยจนสุดนี่มีอิห ม, ม่าลิกบอกว่าเขานี่นะเขาเนี่ยเส้ น, เ ส, นเส้นผมเส้นผมเขานี่นะมันจะไม่คือคนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่มีเข่าเหมือนคนจีนนะนอ่ะเวลานั่งมอเตอรนั่งเอ้แล้วก็เขา้ามัน ไม่บางคนนี่ยเขาก็มาอย่างเงี้ยเขามันเป็นกิ่งอ่ะมันออกมุ๊ดออกอย่างงี้ไปนเขาเส้นเส้นผมเขาแข็ง่งอย่างอลับนี่ยนะ่ะเวลาเวลาเขามีเขาน่าจะมีเส้นออกเงี้ยเส้นออกเงี้ยเนี่ยไอ้ ม, มาลิเขาบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าหากว่าขิดส่วนที่มันเกินส่วนที่มันเกะกะเนี่ยได้ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ได้เลยเขา่าแต่มันเกะกะมันอะไรมากกันนะได้ แต่ที่สุดนี่นะบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรที่ตําหนิได้นะทัศนะของเช็กแอลบานีเนี่ยนะก็ยังพอได้พราะเาอ้างชอบมากมีที่เขาโต้กลับเาบอกว่าอเมนอมนิดทำเฉพาะตอนมีฮัลละอุมรอเนี่ยเขาจะตัดแต่เช็กแลบานียเขาบอกว่ามีรายงานอื่นนะว่าท่านทำทั่วไปทุกกรณีไม่ใช่เฉพาะฮัละอุมรอมีทัศนะในอุลามารุ่นหลังรุ่นที่หลังนี่นะเขาบอกว่าอะไรที่สามารถเรียกว่าเคร่าว เรียกว่าเขาเนี่ยพอละฉะนั้นก <iso es> ็บอกว่าถ uh, uh, ้าเป็นเดินถนนตัดใหม่อย่างนี้เขาเรียกอะไรอะเอ๊ะจอดจอนเอาเอาดารามาอ้างกันแต่ถ้าแบบว่าให้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ขึ้นขอย่างเงี้ยแค่เนี้ยอันเรียกว่าเขาไหมข้าวก็พอเป็นยังง้ออย่างเงี้ยยังง้อนี่นเนี่ยเป็นเขาไหมเป็นเขาก็ จบกันด e ิเลิกค right ุยอีกคร้งนี่ไงเขานนฐานะว่าเามารู้หลังอะดเะในมัดจบชัวีที่เขาบอกว่าเขานี่มันต้องไว้ยาวเนนาบีบอกว่าไว้เขาเอ้าก็ไว้เขาอะไรที่เรียกว่าเขาก็ถือว่าเขาถือว่าถือว่าทำหน้าที่แล้วเรื่องนี้ทนฐานะส่วนตัวของผมนะ ถ้าอยากจะปฏิบัติตามท่านนบีก็มีแบบฉบับให้ทำถ้าอยากจะพ้นคำสั่งหรือข้อห้ามว่าไม่ทำบาปนะก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อลมอฮบอกว่าให้พ้นบาปทำเท่าที่ทำได้แต่ถ้าอยากจะทำเหมือนนบีนะก็มีแบบฉบับให้ทำอยู่แล้วนะครับวัสลัลลอฮะานบีนมุฮัมมัดวะอฺลยิยซับีฮฺวะสัลลัมวะสัลลัมุอะลัยคุมมุอะร์ห์มตุลลอฮ